ขยายลำพวงลงไปข้างล่างด้วยครับใช่ใต้ครับดีการฟังสาคัญําภาษาเราก็การว่าผู้ฟังเขาไม่มาจากคำบาลีแต่ว่าผู้ฟังเขาต้องฟังจากผู้รู้ผู้ออรู้นความเดียน์ใทข้างแรกก็คือพระพุทธเจ้า เป็นผ wow, ah um> ู้ตัดสิัเองโดยชอบดููองคเองเมื่อส่งี้แล้วก็ส่านำมาทำเสาให้แกผู้นผู้อื่นที่ฟังก็เป็นสาวกแต่ว่าผู้ฟังเมื่อฟังแล้วก็สามารรับเหตลที่พระเจ้าทรงส่งถึงนำเอาไปปฏุบัติจนปรกฏเป็น ทำนิพพานผ่านจิตใจของผู้ฟังผู้ฟังก็บรรลุเปพระอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุเป็นพระอรหันตด้วยเันมีมีาพระฉายาว่าพระอรหันต์ธว่มะพระพุทธเจ้าผู้ฟังแล้วนามาไปปฏิบัต เาบรลุเป็นพระอาหาได้ก็เป็นพระอรหันตกสาวกแต่ความโริสุดของใจของทังพระสาวกกับพระพุทธเจ้าก็มีความโริสุดเท่ากันเหมือนเสื้อที่นำมาเผาด้วยน้ำด้วยของสัฟฟอร์พซักเสร็จเรียบร้อยเสื้อก็สะอาดหมดจดเหมือนกัน ของพระพุทธเจ้าก็สอาดบริสุทธิ์ของพระสาวกพระหลานพระสาวกก็สอาดบริสุทธิเหมือนกันเพราะปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเหมือนกันปราศจากความโลกความโกความเหมองเหมือนกันในความบริสุทธิ์ของใจนั้นพระพุทธิจ้าของพระพุทธเจ้ากับของพระสาวกนี้ไม่แตกต่างกันถ้าอาดเท่ากัน มีพระนิพพานเป็นที่สถิตยอยู่ของใจเหมือนกันมีปรมังสุขของเหมือนกันมีปรามังสุญญ์เหมือนกันปรมังสุ่างก็คือว่างจากกิเลสเครื่องเศ้าหมองทั้งหลายนั่นเองมีความโลภการกดความหลงแต่บารมีที่ได้สร้างมานั้นมีแตกต่างกันไป แต่ละองค์นี้จะเวาสนาที่ได้สะสมมาไม่เท่าเทียมกันบางองค์ก็มีวาสนาไปทางอิทธิฤทธิเช่นกระโมกลานะประสงฆ์ยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกทางซ้ายเก่งทางด้านอิทธิฤทธิมองจากพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวส่วนภาษาริบุตก็มีวาสนาไปทางปัญญาไปทาง การแสดงธรรมก็สมรับยอมให้เป็นอักรสาวด้านขวาของพระองค์เพราะปัญญานี้มีความสำคัญกว่าอิเตอร์ิีเตอร์ไม่สามารถที่จะปราบกิเลสได้มีแากปัญญาเท่านั้นที่จะปราบกิเลสได้ที่จะฟอกใจให้สาบริสุทธิ์ได้ อิทธิี่มีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธญาตมาตัศรุพวกเบือศีชีพายต่างๆที่ได้บำเพ็ญฌานสมาบัติก็จะมีอิทธิฤทธิ์กมาด้วยเพราะอิทธิฤทธิ์นี้เกิดจาขั้นฌานสมาบัติแต่การดุจพ้นจะกกิเลสอาสวะทัลายนั้นดุจพ้นด้วยปัญญาด้วยวิบัติปัญญา คามรูแจ้งเห็นจริงแย้สภาวะธรรมทั้งปวงว่าไม่มีจัวตนว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์สภาวะธรรม ท, ที่ผู้อื่นหรือสัตวโลกทั่วไปพอจะเห็นกันได้ก็คือความไม่เที่ยงของสภาวะธรรม ท, ทั้งหลายหรือความมีทุกข์ของสภาวะธรรม ท, ทั้งหลายแต่ยังไม่สามารถมองเห็น ความไม่มีตัวตนในสภาก็ทงทลายได้มีพระพุทธเจ้าหรือพระโคดจสัต์ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อมาตัดรู้ให้เป็นพระพุทธเจ้าหรืเพียงพระองค์เยที่มีปัญญาสามากพิจารณาจนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัพเพทวานัตตาทำท้งพวงตาสจากตัวตน ที่คือ <c oughs> ความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าที่แตกต่างจากบุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราทังหาที่ยังเห็นว่ามีตัวมีตนอยู่ในขันห้าในรูปคือร่างกายของพวกเราเนี้เรายังเห็นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่เราเห็นว่ามันไม่เทล่ เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่เราไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะไม่มี้ใครเปยึดติดกับของที่ไม่ใช่เป็นของเราเองของคนอื่นจะเป็นอย่างไรร่างกายของคนอื่นจะเป็นอย่างไรเราไม่ทุกข์กับเขาเขาจะแก่จะเจ็บจะตา เราจะเป็นอะไรไปเราก็ไม่เด็อร้อนแต่พอร่างกายของเราเป็นอะไรไปเราเดือดร้อนขึ้นอ่ะ ท, ทันทีเพราะเรายังหลงนึดติดอยู่กับร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเราของเราเี่เองการทำเทสวารทำเพื่อหลุดพ้นจากกิอาสวะทั้งหลาย ก็ต้องหลุดด้วยหนักทำศัพท์ธรรมาอนัตตานี้ต้องเห็นว่าไม่มีตัวตนในสภาวะธรรมทั้งปวงแต่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมภายนอกใจเช่นรูปหรือจิตโลกตัวพระรากยศแต่เรเสื่อสุกทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือสภาวะธรรมใกล้ใจเข้ามาก็คือขันห้ารู ร่างกายเลือดนาชาติยาสงสครางเวลาไราไม่รู้ว่เป็นสภาวัฏจักรเหมือนแดดเหมือนลมเอนฝนเหมือนฟ้าเหมนเล่รอยไปรอยมาผ่านไปผ่านมาไม่ไม่ได้อยู่กับที่ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมนำครับของที่ใด เขาต้องเป็นตามๆหรือตามปัิจาณของเขาผู้ใดไปปรารถนาให้เขาเป็นไปอย่างอื่นเป็นอื่นไปก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเพราะจะไม่ได้ดั่ใจนั่นเองนะอยากให้ร่างกายอยู่ปตลอดก็เป็นไปไม่ได้อยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ตัวก็เป็นไาไม่ได้ อยากไม่ให้แก่ก็เปลี่ยนไปไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเวทนาอยากจะให้สุขไปตลตอดก็เปลี่ยนไปไ่ได้เวทนาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวไม่สุขบ้างไม่ทุกข์บ้างถึงกับหรือเรื่องความคิดอยากจะคิดแต่เรื่องดีๆก็ไม่มีความจะว่าที่จะควบคุมให้มันเปลี่นเรื่องไป ด, ดีได้ มันก็คิดแตทตางความากของเืนงกรรมที่ได้สะสมมาคิดยังดีก็สบายสบายใจกินไม่ ด, ไไดีก็ทุกข์ใจนอจใจขึ้นมาแต่ถ้าได้บำเพ็ญได้ศึกษาได้ปฏิบัติต่อไปความคิดนี้จะดีขึ้นไปเรื่อยๆคิดไปในทางนองครองธรรมคิดกลางหลักของความจริง คือคิดตามหลักเขาสมาธิๆนั่นเองคิดมากทุกสุอย่างร้อนเป็นอิยทุกครั้งอริยตงทั้ันจะเกิดขึ้นได้ก็โมฆะต้นก็ต้องอาศัยการได้ยินฟังจากผู้รู้ตั้งแตาพระพุทธเจ้าลงค์แรกเป็นคนแรกเป็นผู้รู้องค์แรก เราก็ส่งรู้นะครับผมก็ส่งนำเอาความรู้นี้ธรรมาพิถินี้มาเผยแผ่กับผู้ที่มีความสามารถที่จะรับไปปฏิบัติได้เรื่อนต้นบเป็นพวกนักบวชทั้งหลายผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาว่าพอที่จะลองเอาสรรมาพิถิที่พระพุทธเจ้าสง รู้ส่องเห็นนี้ไปสอนใจของตอนเองได้สามารถทำให้หุดทนจากความทุกได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาพียงเจ็ดเดือนแรกของการประการะษาศาสนาตั้งแต่วันเพ็ญเดินแปดเรียกว่าวันอักษาบูชาโปร่งออตรงเสดงให้ทำคข้างแรกให้สังข า, าสันติวิภี นะคบมสแสดงไปไเรื่อยๆอถึงอวันครึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามจเรียกว่าวันมาค่ำบูชาก็ปรากฏในพระอรหันตสาวกหนึ่งันสอยห้าสิบโลโดยทางวาจาที่ต่างๆโดยก็ได้นัหมาย ก, กันมีเพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนของการสั่งสอนเท่านั้นก็ปรากฏในพระสาวก ขึ้นมาเป็นจะเหมือนว่ า, าเป็นอย่างน้อยบ้างหนึ่งพรรษาว่าถูกโยกที่อยู่ปรากฏอยู่ในอยู่ในพระพระไตรปิฎกที่ไม่ได้มากรบป้าก็คงจะมีอุปถาลุนได้วยกันทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การฟังเป็นหลักการฟังจากผู้ฟังจากพระพุทธเจ้า พอเข้าพิธีญาณผ่านญเสด็จดับคันทะวันิทานญาก็ฟังจากพระสาวกตามลำดับต่อมาฟังจากพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระสปธิปัญโญท่้งหลายอุบาจาร์ที่ปฏิบัติดีิบชอบที่ราก่าบไหวบชาท่านฟังเมื่ก่อนพวเราท่านฟังแล้วท่านก็น้อมยำออกไปปฏิบัติ ทุกคนที่เกิดมาในรุ่นนี้เป็นเหมือนกันคือเกิดมาในฐานะของอู้ทุกข์นแล้วก็อาศัยการได้ยินได้ฟังประถมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากผู้ที่ปฏิบัติหรปฏิบัติชอบหรไม่ฉะนั้นก็จากการอ่านหนังสือที่ได้จารึกไวยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนของอุูบาอาจ า, ารย์ต่างๆบ้าง ซึ่งก็เป็นคำสวนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่คูบาจารยต่างๆได้แสดงไว้เมื่อเราอ่านก็ท่องต้องได้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าแทนที่จะเข้ามาทางหู mm. ก็เท่ามาทางตามองเข้าไปในเข้าไปในใจแล้วก็ปรากฏเป็นสัญลาที่ช่อเพียงเดียวจะมาทางตาคณะมาทางิงาูคณ อานนงสือก็ได้ฟังธรรมะก็ได้ได้ไประโยชน์เท่าเทียมกันอยู่ที่ความสันผัสของจาระคนบางคนฟังแล้วรู้สึกจิตใจจะสงบจะสบายจะเกิดความยี้งจ้งนิดนงขึ้นมาบางคนก็อ่านก็รู้สึกว่าเกิดความก็้กเข้าใจดีขึ้นก็ได้ทั้งสองอย่างหนังสือ ที่จะนำธรรมะคือปัญญาหรือความเห็นที่ถูกต้องเข้ามาสนใจพมือมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วความคิดที่ถูกต้องก็ตามมา mm hmm. เวลา ม, มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องมีวิชาทิฏฐิ mm hmm. ก็จะมีความเห็นที่ความคิดที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. ก็เคยจะโมโกรดโหยนี่เรียกว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องออกมาจาก ความเห็นที่ไม่ถูกต้องนั่นเองเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นเป็นสุขควรจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นตัวเราเป็นของเรานี่เป็นบางเห็นผิดเมื่อกิดวามเห็นผดแล้วก็จะยุ่งไปในทางที่ผิดแล้วก็จะทาไปในทางที่ผิดก็จ ะ, สะแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมา ล, ง ล, งล้อมล้อมเลยอตัวเราของเรา มงด้านมาแล้วก็ถือว่าเป็นของเราเวลาใครมาพัดผ้าจากผ้าจากเราไปก็เกิดความเกิดเกิดการกระทาํะท า, ท, าที่ไม่ดูตามมาเกิดการเพื่ที่ไม่ดูตามมาเกิดเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปนามบาเป็นเ ห, หตุที่บาให้ไปต้องใช้บาใช้กรรมในภกชาติต่างๆ มันกเกิดทวามโลภขึ้นมาเห็นอะไรก็ชอบเญ็นอก็ยอยากได้ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ต้องหามาอยู่เรื่อยๆเขาได้มาเท่าไหรเจ้าไม่รู้จักเหน็นและรู้จักพ อ, อย่างขึ้นก็อยากจะได้ซอได้ซอก็อยากจะได้หวานได้ตําแหน่งนี้แนละ้วก็อยากจะได้ตาแหน่งที่สูงขึ้นอยางนี้ได้เงินกองเท่านี้แนละ้วก็อยากจะได้กองท่านั้น นาตนมีอำนาจขณะมีล า, า, า, าก็ะยาสันยามาราตุกัวก็จะอยากมาเรื่อแม้เว ล, ลาร่างกายจะตายไปใจมันจะตายจะกับร่างกายความอยากที่ถูกฝังอยู่ในร่างกายอยู่ในใจก็ไม่ได้ตายแตกับร่างกายความอยากนี้ก็เลยเป็นตัวผลักดันให้ใจไปหาร่างหลันไปแสวงหาเีินต่างๆไว อีกรอบนึงเป็นไปอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าจะมาได้ยินได้ฟังประธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจารย์พระองค์ที่ได้มากักรู้ได้นำมาแล้วประกาศประธรรมคำสอนให้แก่สโลกถ้าเกิดมาในช่วงภาวรื่องไหนที่มีศาสนามีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟัง ได้ตักตวผลประโยชน์คือสมมาทิฏฐินี้เพื่อจะได้มาแปลงความคิดที่ไม่ดีให้คิดเป็นทางที่ดีแปลงการกระทําปการพูดที่ไม่ดีให้ให้เป็นการพูดที่ดีเป็นการกระทําที่ดีเมื่อได้ทําอย่างนี้แล้วก็จะตัดพกตัดทราบตัดความโลกตัดความโกรธตัดความหลงหน่าหลงใจตัดอิจฉา เมื่อใจสอาดบริสุทธแล้วก็ไม่มีตัวที่จะปักกันให้ใจนี้ไป่ขว้ควาหาพบฌาปน์ไหนต่อไปผลิภานก็เกิดขึ้นภายในจิตนั่นแหละไม่ได้เกิดที่ไหนจิตนี้เป็นที่สถิตของผลิพานจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ได้รับการชำระด้วยทานสีลภาวนาด้วยการปฏิบัติไม่ได้เกิดจล้ทาทั้งนั้น ผู้เอื่นให้ให้ให้ให้ให้แก่จิตตรงนี้ได้ก็คือความรู้ที่ถูกต้องแท้ๆจนผู้ที่จะทําให้จิตนี้สะอาดบริสุทธิ์ต้องเป็นจิตเองเป็นผู้กระทําผู้อื่นทําแทนให้ไได้ถ้าทําได้ก็สบายใจห น, น้าพวกเราให้ท่านพระพเจ้ามากครอบใจพวกเรา ให้กูบาลใจนะครับพ่อใจให้ให้กับพวกเราพกเรานั่งเฉยๆประโลเมเลยเดี๋ยวท่านมาทักพ่อให้กับเราแต่มันไม่ได้เป็นอย่านั้นท่านให้ได้เพียงแต่ความรู้ที่เราจะนําออกไปใช้ทักพ่อใจของเราเองเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเราก็ต้องสอนใจของเราอยู่อย่างต่อเนื่อง เข้าใจขอ ง, งเรารเพอให้สอนให้คิดให้มรอ้ในในสิแ่งบบที่ถูกต้องความความเห็นผิดนี้ก็จะทําหน้าที่กทนตลอดเวลาดังนั้นเราต้องจเจรเินสมาธิถี่อยู่ตลอดเวลาเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนด่าอารมณ์ให้พิจตนาความใจทุกมหายใจเข า, เ, าเวลาใดที่ไม่คิดตั้งเราก็จะคิด ว่าจะอยู่ไป น, นานทันทีมันจะอยากอยู่ไป น, นาน ท, าทันทีมันไม่สนใจ ก, กับความจริงว่าร่างกายนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้แต่ความอยากนี้มันจะออกมาทาันทีพอมันมีความอยากจะอยู่ไป น, น, นานๆมันก็เกิดมันก็กลัวความตายขึ้นมาันทีเพราะมันสวนกับความอยากความต้องการนั่นเองแต่ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเกิดอะไร้นต้องก่ง ต้องเก็บต้งตางการอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันมีช่องว่างเลอไม่ให้มีความรู้สึกอย่าอืนเข้ามาความคือความรู้สึกอย่างอืงอ่นมันก็จะเข้ามาไม่ได้พอเราทำไปนจนกระทั่งวัฏจักแล้วมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาแทรกได้ถึงตอนนั้นเราก็ไม่ต้อ ง, งนนพิจารณาะไรเพราะเราปิดกั้น ช่องทางของความเห็นผิให้ปรากฏขึ้นม า, าในใจเราได้ตลอดเวลาเมื่อเขาไม่ปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่ต้องทำ ง, งานต่อแล้วพิจารณาความตายต่อไปเพราะความกลัวตายมันไม่มีแล้ะเพราะมันรู้์รู้แล้วว่าความตานี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จนะไม่คิดที่จะอยากให้เป็นอย่างอื่นผลนะ ข, ของการปฏิบัตินะั้นจะอยน่นัมันไม่ได้ปฏิบัติไปวนวันตายมันปฏิบัติไปจนวันตายของกิเลสเท้านั้นของความหลงเท่นนะั้นพอความหลงตา ย, นะยมมาาแล้วยอมรับความจริงแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไปงานก็จบทีนี้ก็อยู่อย่างสุ่นอย่างควายไป จนเสี่ยงงานยุ่งขายของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็รู้อยู่รู้ ง, ง่าแล้วเตรียมพร้อนกับควาเมเป็นไปของร่างกายยังไม่เดือดร้อนเพราะใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้รับรู้เรื่องความเป็นไปของร่างกายเมื่ก่อนี้ถูกสอนให้หลงคิดว่าร่างกายนี้ ควรจะอยู่เป็นนางควรจะให้ความสุขกับสมเป็นนางนเพราะเป็นตัวเป็นตนพอได้รับทราบจากสอนของพ่อปุจ้าแล้วว่ามันไม่ไเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็ได้ให้ความสุขกับเรามันให้ความสุขกับเรามากกว่าเพราะมันต้องมีการดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลาต้องให้อาหารต้องให้ น, น้ง จะาดแล้วบาดท่าสปนภาษาแล้วก็ต้องคอยเวลาเจ็ดข้าได้สวแล้วต้องหาหยุดพยาหาหมอมาดูแล้พเพิท่าถ้าเป็นเร่มีร่างกาย ใ, ใจับสบายกว่าใจไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาถึงกับเรื่องของร่างกายพอรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่ห่วง เมล็อยากที่จะให้มันอยู่ไปตลอดติดต่อกันไม่ไม่ไม่ไม่ไไพึ่งร่างกายติดต่อกันเมื่อก่อนนี้ต้องพึ่งร่างกายเพราะอยากอยู่รูปอยากฟังเสียงอยากเดินเปลีอยากเล่นรถ<ม>อยากสัมผัสของสิ่งตางๆด้วยด้วยมือก็ดีด้วยร่างกายก็ดีแต่เดี๋ยนี้รู้แล้วว่ามันต้โทษมากกว่าต้องค และดูสิ่งที่ดีกว่าในใจที่เนียกว่าก็คือความ น, นั่งยความท่าสงบและความสุบของการนความสงบที่เกิดจากการสั่งการปล่อยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นตาความสุขที่ได้จากการมีร่างกายพอรอย่างนี้แล้วก็กปล่อยวางร่างกาย จิตก็หาความสุขภายในเองจิตไโลไม่อยาก่ำก็มีความสุขนะ้ไม่ต้องทําจิต่ได้โฟกัสทุกอยาก น, นั่งแ่อยากนั่งน่ากนี่อยากสัมผัสกับโลเนีจ้จิตจก็มีความสุขภายในตัวของมันเองไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่าต่อไปเป็นความบางสุด ข, ขั้ มันเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกเดียวคนเป็นความสุดที่ไม่มีหน้นซัรงกับความสุขการทารหูางมือา ก, กายที่มีเปรี่ยนขณะที่ได้เจ็บได้สัมผัสันใอพอไม่ได้เจ็บ ไ, ไม่ได้สัมผัสก็เกิดความอ้างว้างปล่าเยวเกิดความหิวกระหายความอยากที่จะเจ็สัมผัส พอไม่ได้เจ็ไม่ได้สัมผัสก็เกิดความทุกข์ขึ้นาต่างนตรนี้ถุดไปนอกุดภไปในสุดภายในนี้ถุกไปตลอดและไม่ต้องกังวลกับการแยแหวนขาถีบต่างๆมาบังลุงบงเัเอไม่เหมือนกับถุดไปนอกที่ต้องเจาะลัจจัยใต่างๆมาบังเุงบงต้องหาเงินหาทอเพื่อจะได้จ่ยชื้อสิง แตะต้องดูเสียงเกียร์็อตของสภาต่างๆมาบังนเดินพอได้มีเงินในทองถามเงินทองถามเลยขึ้ น, านายากล้าววุ่นวายจเดือดร้ออยู่เฉยไม่ได้เพราะติดนิสัยติดติดความโลภุกความอย่างก็จะคิดแส่เ้่องโลภเร่งอยากหาความส ท า, ง, า ง, งการอบรมเพื่การตลอดเวลานี่คือความทุขของความสุดท้ายนอกตอนความทุกข์ของความสุดท้ายนัก็อยู่ในตอนระยะด่วยต้องตอนที่ต้องต่อสู่กับกิเลสที่จะหลอกให้ไปหาความสุดท้ายนอกจะต้องปัญญ า, าเอาชนะกิเลสให้ได้ตอน ที่ต่อสูงกับกิเลสก็จะเป็นความทุกจะเราจะ้ออทนกล้ะต้องจะต้อ ง, องจับความทุกทางตารูตมามจิอยากนเนที่รชาก็ต้องจัอยาการับประทานอาหารกล า, างวอยางรัประทานขนมนงตามความอยาของกเลก็นนนนนนต้องจับให้รับประทานหรให้เดือแต่เฉพาคาต้องการ ของรางกายเพ่อรับประทานไม่เกินหนึ่เพี้ย ง, งวันแต่ะหรือถ้าจะให้เข้มข้นิ่นงขึนนงนน้นก็รับประทานวันละหนึ่งครั้งเหรือถ้าจะให้เข้มข้นแบบนั้นก็รับประทานสามวันก็รับประทานแค่หนึ่ครั้งตั้งตายซึ่งดีได้แต่ที่เลสมันจะตายก็ดีเพรเป็นสิ่งที่เราต้องการ เราต้องการค่าวเกล่เอย่ยมต่อไปแล้เวเหลือกมันก็จะไม่มีความสามารถที่จะบังคับที่จะสัางให้เราไปทําตามความอยากของมันนะเราเกลือกไม่ทำานายังก็สบายไม่มีคํางมาคอยสั่งให้ไปซื่อเดือดเครื่องเดือดชนิดนั้นไปรับประทากนกนมชนิดนั้นไปาหาสชนั้นมารับประทานอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จักจบจากที่วันหนึ่งรับประทานได้สามสี่ยาอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นต่อไปนทาปฏิบาติไปแล้วรับประทานเก็นวันนึ่งครั้งก็พอเป็นตามความต้องการของร่างกายไม่มีจินตุจะมาสร้างให้เราไปดูดูสิ่งต่างๆด้วความส้่งต่างๆแต่ตารสถานที่ต่างๆนานต่กไป แต่ตอนต้นนี้ ต, ต, ต, ต้องต้องพอมาเพราะเป็นการเป็นการฝืใในใจฝืนวิจัยเดิมนั่นเองวิจัยเดินเข้าหาความคิดเกมาหเหมือนกับคนที่ติดยาเสติดที่จะเริกยาเสพติดนี้ก็ต้องทรมานใจทุกทรมานใจในขณะที่เกิดความอยากแล้วไม่ตอบสนอความอยาก แต่บางรั้งที่สามารถเอาชนะความอยากได้ความอยากาา ม, ยามันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆครั้งต่อไปความอยากก็จะอ่อนลงไปแล้วเราก็จะจูกก้กำลังได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้ น, น, น, นไปจนในที่สุดมันก็จะหายไปเลยความอยาก และเราไม่จำ็จะต้องสู้แบบอดทนกั้นเพราะพระพุทธเจ้าจมีอุบายให้พวกเรามีอาวุธไว้ตอบโต้กับเจรก็คือสติสมาธิพระปัญญาเนี่ส อ, อนให้เราจะนำสมาจะนำสติอยู่เรื่อยเพื่อเราจะได้ควบคุมจริญได้เจริญเป็นนงหนึ่ ง, งแต่สตินี้เป็นเหมือนเชื่อถ้าเราสามารถเอาเชื่อ น, นี้ไปคล้องค อ, งองเกเร เรียนได้ถ้าเราจะขูดกระไรกับเสาหรื่อกับต้นไม้มันก็จะไม่สามารถไปไหนไปไปไหนได้ถ้าเชือของเรามีกําลังมากกว่ากําลังของเรียอนุอง่เงเกถ้าตัวจิตของเราเนีมีกําลังน้อยกว่าเชื่อกกระางได้มันจะุกติดเรียอกระถา ได้กำหนดอยู่กับสุตโตได้สองคำมันก็ไปแล้าไปหาอูกไปหาเสหาเกนหารดแล้วไปเปิดตู้เย็นก็เปิดธรรทัศน์ไปเปิดยอะๆไปเไปเิดเยอดูรูปภาพต่างๆหรืออา่านนิรายเรื่องต่างๆมีแสดงว่าไม่มีสติพองที่จะเดินไว้ถ้ามีสติก็จะให้มันอยู่กับปัจจุบันนี้ให้มันอยู่เฉย ให้อยู่กับลมก็ได้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้หรือให้อยู่กับภารกิจที่กำลังทําอยู่ก็ได้กาลังทาอะไรก็ให้อยู่กับภารกิจนั้นไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นให้เราฝึกอยู่นี้ไปเรื่อยๆต่อไปเชื่อมันจะมีกําลังมากขึ้นคือสะตืจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นไปจนในที่สุดก็จะสามารถสั่ให้กินเหลือหรือจิดเนี่ย หยุดได้พอหยุได้นะท่า น, บบบ น, นนี้นจะจะพบกับสิ่งมหัศาลก็คือความสมุบของจิตนี้จะกิดขึ้นมาพอรู้แล้วว่าเนี่ยคือความสุบก็จะเกิดจิตจอมใจก็จะพยายามรักษาความสงบนี้และทําให้ความสุบนี้ดีมากยิ่ขงขึ้นเรื่อยๆพอออกจากความสนุบต้องไปการอะไร พอเลือว่าไปว่าไปหาเียงงานสิ่งนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเรื่อยๆตั้งนานมาจะดับถีถ่ต้องบอกเลยว่ามันเรื่อย้เป็นความสกเนะมันมเป็นความทุกขมันเป็นเหยอาเสพติดยาเสพติดมันมัง น, น่าจะุบในตอนที้เสพแต่ต้องจำไว้นะว่าพอเวลาใดๆอยากก็ไม่ได้เสพเมืันทรมาร์พอติดแล้ววันทรมาร์ท่านไม่ได้เสพ ไมนใช่แต่ยาสูบอยนี้แต่ทุรียนยาบางอย่างกาแฟเครื่องดืที่เราชอบเราเปิดก็ท่เดียวกันมันก็เป็นแบบแเดียวกันเราติดยาวัรชาการาป็นร่างกายต้องการเปลี่ยนน้ำสะอาดที่ไม่มีวัคชายาเกลือไม่มชอบ เ, เอารวชาผสมไปกับยา้วอ้างวัตถุยาการเป็นมันเป็นขอ้ออ้างของเกลือการดยงมนเปวัตถุน้ำสะาด ร่างกายต้องการน้ำจัดมีก็อยู่ไม่มีโทษกับร่างกายแต่ถ้ากินน้ำขึ้นมีือร้ชาติมกลิ่นมีสีมีอะไรผสมเข้าไปมันกลับเป็นโทษกับร่างกายทำให้ร่างกายตายก่อนจะไหวได้ใช้สารยาไว้มีส่วนอื่นผสมเข้าไปในน้ำด้วยดื่มปริมาไปมากครับก็ ร่างกายก็จะตายเลยคือตับไตใต้คุนก็จะปิดซุ拉ปิดุลากับกับตออยายแล้วแต่เราไม่เห็นกันเพราะเราไม่ใช้สายนาเองดั ง, งต่อไป น, นี้เวลาเราอยากจะอาได้อะไรภายนอกนี่นเราต้องหยุดเรื่องคำว่าเป็นพุกนะเป็นโทษนะเป็นอันารายนะเป็นเหงื่ยาพิษ น, นะอยาวพะเอลวน เราก็มาหาความสุขภายในใจดีกว่าเราอยากจะเป็นเบี้ยอะไรก็พุโทโพุโทโธไปเลยหรือภาวนาไปเลยนั่งหลับตาขัดยั่งขับภาวนาหลับตาภาวนาไปเลยเราเราถนัดแับนี้นการภาวนาด้วยกรรมฐานางนเราก็ใช้กรรมฐานนั้นไปพึทโธก็ได้ภาวนาแบบนี้ก็ได้ รรรรร ห, หรือจะพจารณา่างกาการกาปกของรกาก็ไายีได้ครับหรือจะใช้พิจารณาดืวยปัญญาเช่นเห็นอย่างธรรมชาติว่ามันเป็นโทษเป็นเหอนาาลัคิดแต่เมือ่อไม่้งง่อไปจะไม่ไม่กล้าไปหาเลยนี่แหล น, นี่คือดิธีที่เราจะส า, า, า, ามารถเอาชนะ ความความทุกขที่เกิด จ, ะจะนานกการปฏิบัติมาแล้วเราจะน่าความสุขภายในใจขอนะ้เราเราก็มีทางเลือกว่าจะเอาอะไรถ้าจะเอาความสุขภายนอกก็ต้องมีความทุกข์ตามาถ้าจะเอาความสุขภายในก็ต้องมีความทุกข์มาเกาะไม่มใชาแต่ดราสามสารถทำในใจโดยไหมไม่ได้ นอกจากผู้ที่ได้บรรเทามามากพอแล้วได้ทุกมามากพอแล้วในอดีตพอเหลือข่านสุดท้ายเพียงแต่ได้ยินได้ฟังก็ท่าเข้าับอย่างพระอนัญคงพญายพระจัญจวัคคีเพียงฟังพระเทศานาของพระพุทธเจ้าเพีงสองสาครั้งก็บรรลุเป็นพระอนาญญา แต่ก่อนที่จะอยู่ถึงขั้นนั้นได้ท่รนจะต้องตัดจิตตกายทรมายมนตัดรูปเสียงจิตอ้อนอ่อนโดยเต็มฤทธชื่อพไยควบคุมจิตใจให้อยู่ภายใต้การดูแลของสติจนสามารถทําให้จิตสงบลงได้แต่ไม่มีปัญญาหรือสมารถติที่จะดับความอยากความโลภได้เอง อันนี้ต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าพอมีพระพุทธเจ้ามาประกอบก็ก็เหมือนกับต้นไม้ที่รอาานานพอสนตกต้รงตายก็อ อ, อกดอกออกผลได้เลยนี่แหละคือความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราี่จสามารถสัผัสได้หือสองรูปแบบ ความสุขภายนอกกับความสุขภายในความสุขภายนอกก็จะต้องทุกไปตลอดจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปตลอดแต่ความสุขภายในนี้ทุกเพียงตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองทุกตอนที่ต่อขึ้นกับกิเลสพอกิเลสตายหมดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หรือไม่มีจะมีความสุขตลอดไม่ต้องไปเวีนว่าตายเกิดต่อไป เพราะมันจริงๆเลยเป็นตัวชัดจูงปันง่นีลแล้วอุ้มนี้ก็มาจากการตังคดังนั้นถ้าเรามีระบบเสียงที่ดีคนตังาได้อยาชัดเจนก็เป็นคุณเป็นประโยชน์หลงแล้วจะได้นำออกไปเทปปิจารณาแล้วนำออกไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะต่งางลาอไป กาน็เห็นว่าควรแกเลาที่คอยยึดยดและเขนไวนปีนี <volunte S 2> ้ป <ders projeto> <Okay. yeah fantastic> okay. ีท like ี่สี่แล้วใช่ไหม ยังไม่ยังไม่สอบผ่านเกือบจะจบแล้วเนี่ยเป็นยาเตยเรียนตัวสอบได้เรียนตัวหาสอบได้นพั้นก็เรียนไม่จบเป็นวักถุเลยรักสถาบันอย่างนี้อยู่นานๆอ่านในพราไตรปิฎกไปแต่ก็มารูุตรงนั้นบรรูุตรงนี้ไง พวกเราไม่คิดถึงพวกเขาบ้างนาถ้าเรารูกันได้อย่างไรถ้าเราบรรูุไม่ได้อย่างไรเพราะเราไม่ทำตามปฏิบัติตามที่เราได้ยินได้ฝันเอาังแล้วก็ให้มันออกปทางเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟังดาบทัพพีในหม้ อ, อแกง อยู่ตาทานนั่แนแหละทำแต่ทานอย่างเดียวสีก็ยังยังขาดนู่นขาดนะนี้ภาวนานนี่แทบจะไม่ค่อยได้ภานาะน <c oughs> ปฏิปตะตั้งก็ไม่ค่อยใจเจรนะินเงนแล้วมันจะไปถึงไหนกันจะไปโทษใครนะ เวลาเราทุกเวลาเราเบียเ ด, ดี่ยโทษตัวเราเเราไม่รีบหาที่พึ่งเราไม่รีบสร้างที่พึ่งให้กับตัวเตอนมีเรื่องอะไรมากระทบกักระทุกกันยุ่งมายกันถ้าเราสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาแล้วไม่ว่าอะไรจะมากระทบกับใจมันไม่มีปัญหาอะไร ขันห้าจะเป็นอย่างไรไี่เป็นเปน็นหาร่างกายจะแก่ะจะเจ็บจะตายอยางไรไมเป็นตัญหาเมตตาจะเป็นชนิดไหนก็ไม่เป็นกันเรื่องราวต่างๆของคนนั้นคนนี้ต้ก็จะไม่เป็นกันไม่ชอบไม่อยากได้การนั่งก็ต้องผ่านเช่นจัดราบแล้วเส็แล้วกั็รู้สึก อ ย, อยากไปอยากรวยอยากก็อยากมีตาแหน่นนสงสูอยากไอยากให้คนต้องสนับสนุนยกย่องเยินยออยากไปห า, ารวามสุขตามตาหูถนนมืกอกายให้อยากอยากทำให้ทานอยารักษาศีลอยากหาที่งสงบสับในเวสอยู่คนเดียวในถิ่นที่คนยินดี ไม่มีงานยินดียิ่งกว่าลดแง่งธรรมลแถแ่งไม่มีอะไรจะชะนะลดแง่งธรรมเการยิน ด, ดในรถแ่งธรรมนี้เป็นการยินดีที่เลิศที่สุดเป็นยินดีกับรู้เสียงกินน้ำโประธรรมเป็นยินดีกับความสงบในใจถ้าตั้งใจทำจริงจริงไม่ยากหรอก ไม่กี่วันด้านหน้าจะได้ถามจะแม่ยังไงบ้าไม่กี่วันจิตสงบเงีเ้เงินสบายา ม, มาีใครอยากจะถามอะไรไหม มาชิ้นใหม่เขถามได้นะแต่มาชิ้เก่าเขาถามเราพอนะเรื่องจากการภาวนเวลาภาวนาก็ไปมากๆเขาเ้ข า, เขาเราจะเห็นธรามทุกข์มากขึ้นเราจะเห็นความความความไม่ไม่พอความอยากได้ความโลภของเราความกอดความหลงในกาลวันเราจะเห็นมีเห็นชัดที่สุดการภาว น, นาคือการดูใจแล้ว าใจเราก็เป็นที่ที่ตัง้งของความโลภของความโกรธความหลงนันเอถ้าเราดูใจเราอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นการทํางานทําความโลภความโกรธอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเปิดเป็นมองข้างนอกเราก็จะไม่เห็นเช่นเรามองเห็นอะไรภายนอกเราเปิดความดีๆเปิความโลภขึ้นมาเราก็ไม่รู้เราก็จะรีบไปเอาไอ้สิ่งที่เราอยากได้ทันทีถ้าเรา โกรธหรือเราไม่ขอใจอะไรเราก็จะไปปฏิบัติกับสิ่งที่เราโกรธทันทีแต่เราไม่เห็นว่าความโลภความโกรธนันอยู่ในใจเราถ้าเราดึงใจเราพอมันโลภปั๊บเรารู้ปั๊บความโลภนี่มันก็ดับเพราะความโลภนี่มันก็เกิดดับเสียงโลภนี่มันเกิดปั๊บแร้วมันจหายไปอต่ถ้าเราไม่อยู่ที่ใจพอมันเกิดปั๊เราก็ทําตามมันทันทีพอมันโลภปัเราก็ไปเลย ึงการรู้สั่งเราแล้วไปมราก็ไปเลยมันจะก่อนเราเป็นผู้เล่นผู่เล่นเป็นตัวเลยนะคะเหมือนเราถอยังไม่เห็นเห็นสิ่งที่มันเกิดแต่ทางเราเราเราเปลี่ยนบทจากผู้เล่นมาเป็นผู้ดูดูแล้วก็ไม่ไม่ทําตามสิ่งที่เราเห็นถ้าจะทําก็ต้องใช้เหตุผลมาเป็นตัวกัดสินเช่นบางทียราต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังต้อง ได้สินั้นสินี้มันก็ทําไปได้เช่นถึงเวลารับประทานอาหารก็ต้องรับประทานอาหารอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นความโล่งถึงเวลาที่เสื้อผ้าเก่ามันขาดใส่ไม่ได้แล้วปะัวก็ทั่ไม่มีอะไรให้ปะแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าซื้อใหม่มาใส่แล้วอย่างนี้ก็จะไม่เป็นความโล่ง นี่เวลาเวลานม่งสมาธิไดความสงบขึ้นเี๋วจากการนั่งสมาธิไ้แต่ละคมนจะไม่ยิปนนิสเหมือนกันเมือนับยิงยิงปนเน่บางทีมันก็เท่าตรงกลางเลยได้สิบคะแนนบางทีลัวก็ได้สามปนาก็ได้หาคะแนนได้สามคะแนนได้หนึ่นนเมื่อนะพอจะแ่ละครั้งดก็ท น้อยบางทีก็สนุกมากขึ้นอยู่กับสติของเราว่ามันมีการตอบเนี่ยมากมนก้อยอย่างไรถ้ามีความสติต่อเนื่องว่ามันก็จะสนุก ไ, ไปมากเหมือนกับเดินเข้าไปในถ้าถ้าเราเมินลึ้เข้าไปมากมันก็จะห่างไกลจากเสีงที่มัอยู่ภายนอกถ้ำถ้าไปถึงไปถึงจุดถ้ำอะไรนี่ก็จะไม่ได้มีเสียงภายนอกล ถ้าอยู่แถวปากท่ามันก็ยังจะได้ยินเสียงนั่นเสียงนี้ความสงบก็เป็นอย่างนี้นเวลาภาวนาในแต่ละครั้งนี้สติท่าของเรายังไม่ ย, ไมยังไม่แน่นอนยังไม่ทํางานมันก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันจะต่อเนื่องมาก น, น, น้อยเพียงไรถ้ามันมีการต่อเนื่องมากมันก็จะสงบมาก บางวันบางวันท hmm. ักทุกาดีที่ลมหายใจมันจะสั้นลงแล้วก็เบียดขึ้นปเรื่อยๆจนหายมันเงียบเลยแต่บางวันก็จะแบบมีทุกขเวทนาก็พิจรณาเข้าไปก็วัยมาใจพข้าไปาก็หายไปจนทักแล้วก็กลับมาลมหายใจใหม่แล้วมันก็ลาอีกเหอกันงมาเลายๆรอบแล้วเราียสุดท้ายกุแท้ายมัก็คแต่ว่าระยะเวลาต่างๆระยะเวลาที่นั่นมันจะได้งานที่ไม่เลี่ย เราควรจะแบั้เป้าที่จะเอาชนะมาให้ได้นี่ค่ะหรือเราก็ทําตามทำดีที่สุดแล้วรเรื่อนั้นไปเรื่อยๆคือเป้าหมายก็ต้องชนะมันสิแต่ว่าเมื่อไหร่ทั้งเรื่องทางเรายกนี้ก็ต้องยกต่อไปโดยนักมวยก็ชกไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะชนะถ้าก็ยังยังไม่ชนะเขาก็ไม่หยุดชกเราก็ต้องภ า, าวนาไปเรื่อยๆจะเดินสติไปเรื่อย พิจารณาทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชนะหนึ่งทางนึงก็ที่สถานที่ทุกเวนาใหเราเราเราเข้าไปจัดการมันได้เป็นพักๆแล้วแล้วตัวลู้เองเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจใหม่หรือว่าเราควรจะพิจารณาต่อต่อยาวเลยคือพอความันเริ่มเริ่มจางลงหรือเริ่มหายไปเนี่ยก็จะกลับที่ลมหายใจใหม่ใช่ก็ระยะหนึ่งเั้ากลับมาใหม่ก็พิจารณาใหม่ เพรมันหายใจแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจหรือว่าเราควรจะพิจารณากายต่อเนื่องยาวไปเลยจนเี้ยหายไปเลยก็อลองทํายู่ตกันค่ะมันจะกลับมาที่ตัวหายใจท่าเดียวเลยนะก็เยายพิจารณาที่มันานมามนจนมันใหญ่ที่เรื่อยๆที่เรื่อยๆถ้าอยู่ที่ที่ลมหายใจมันจ ะ, ะไม่ยังมันยังจะไม่ได้ความหรือปริญญาที่กว้างกว่ามันจะมีแต่เกิดดับเกิดดับ รู้ระบางตายกับเป็นท่านนี้แต่ถ้าเราพิจารณาอาการ32ของร่างกายแยกกายแยกทาดแยกอะไรนี่ก็จะได้ความรู้ที่ละเอียดขึ้นมเข้าไปรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำหนือเปล่ารู้ว่าร่างกายนี้เป็นปฏิกูมไม่เสือ่อมไม่ลางหน้ารังเกียจมันก็จะมีประโยชนมากกว่าโดยหายใจ ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำได้หรือไม่ไดเรื่องของร่างกายที่เราต้องรู้ต้องคิดเรื่องเกิดแดก่เกิดตายเรืรอ่องปกิณณแลการสารพิสูจเรื่องสุภาษิตเรื่องนานแล้วก็เรือร่องดิ่น้ำหมุนไปส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมี่จะแบบในชีวิตประจำวั น, อนขขอรอนะคะว่า ลูกนี้เวลามีเรื่องมีปัญหาในีใชก็จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาธรรมะเทียบเทียงก็ไปสุดท้ายก็กลับมาที่เรื่องความตายเรื่องเรื่องร่างกายไม่มีอะไรเป็นแค่ภาตเสียวนวนใจอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เรยาจบที่ตรงนึงก็ก็เรียกไปแต่ไม่ได้ทําตอนที่นั่งสมาธิก็ทําได้ตลอดเวลาคือในขณะที่ทําสมาธิก็ไม่ต้องทําเพราะว่าการทําสมาธิเพื่อทําให้จิตหยุดคิดได้เอง เมื่อตอพักจิตเมก่อตอนหลับนอนเวลาเราหลับนอนเราไม่ได้ทํางานทำการาจิตก็เช่นเดียวกันจิตจะทำํำจะพิจร า, ารณาตลอดไปในทุกเวลาจิตก็ต้องพักเหมือนกันเวลาทําสมาธิเพื่ให้พิจรารณาทําเพื่อให้เราสงบให้เ น, นียบหรือถ้าพิจารณาก็เป็นแบบนั้ขณะปัญญาบนสมาธิพิจารณาเพืเพ่อให้จิตปล่อยวางเงียบต่างๆได้สงบตัวเอง พอจิตสงบตัวน้องนิ่งอยู่เฉยๆไม่คิดไม่เป็นก็ไม่ต้องทํารอกขอให้เขาสงบดีจกนกว่าเขาจะถอออกมาพอเขาเริ่มคิดนริ่มนแล้วเราก็ต้องเอามาปรนทางด้ดนน้จะจําทุกขั น, าานา่าตาคิดแอนาร็อกการไม่ว่าของเราก็นด้ของใครก็ได้เราเดินไปทางไหนเห็นใครแล้วก็เราก็ใช้สายตาเอ็กซเรย์เข้าไปเลยก็ได้ ให้ปัญญาเฉลยเข้าใส่ใต้พ้นนั่งเลยก็ได้ดูกระดูที่กำลังเดินดูดูหลังใต้ดูหัวใจดูจากดูปอดที่กาลังทางานอยู่ดูจะดูแบบอนาคตก็ได้ดูโชคชะตาเขาดูว่าเดี๋ยวเาต้องแก่เดี๋ยวผมก็ขาวหลังก็เหี่ยวหลังก็งอไม่ดูได้ก็ไปนอนอยู่ในห้องไอซีไม่ดูในตามที่กำงนออยู่ในโรง ดูตอนที tons, tons. ่ร่างกายเรากายเป็นที่เท่าเหลือแต่ก็เหลือการกันดูกี่ชิ้นก็ได้เห็นกันดูดูอยู่ไม่นด้ตลอดเวลาดูทั้งของเราและดูทั้งของเขาจะดูแต่ของเราอย่างเดียแล้วเราดูของใครอย่างเดียวมันจะมันจะไม่เสมอภาคต้องดูทั้งของเขาและดูทั้งของเราสลับกันไปแล้วดูควอมชอกันไปว่าเขาก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้ เราไปจะเห็นแต่เห็นแต่กายเป็นอย่างนี้จะไม่เห็นในกองในขออยู่ในร่างกายนี้จะเห็นแต่ร่างกายนี้เป็นยืนยันบนปันเป็นอาการสามสิบสองเขาเรียกว่าดูกายในกายให้ดูกายในกายนี้ไม่ให้ดูในกองในขอในกายนี้พวกเราต้องจะดูในกอในขอในกายนี้เห็นร่างกายนี้ก็ คถึงชื่อคนนั้นคนนี้ไปนานั้นัน้นข อ, อคุณแดงขอคุณเขียวขอนายยกขอ อ, อไม่เห็นกายเลยตั้งแต่สมมุติที่อยู่ในกายนั่งใหเราต้องมาเปลี่ยนการมองของเราใหมา่ให้มองเห็นแต่กายจริงๆให้เห็นความจริงของกายอย่าไปเห็นสมมุติของกาย พอเห็นสมุดแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเห็นสมุดก็จะเลี้ยถึงอดีตขึ้นมาอ้อคนนี้เคยด่าล้วเคยทำร้ายเราก็จะเกิดความเกยดความมาฆ่าันร้าขึ้นมาทีเราได้เห็นแต่กายเห็นว่าเป็นอาการสาเห็นว่าต้องแก่ต้องเก็บต้องตมันก็จะเป็นอุเบค้ามันจะไม่มีความกบความปิดมันรู้ว่าปกิบทํามันกับ กับอาการต่างๆไปเกยบผมทำไงไปเก็บผมทำไนไปเก็บเล็บทำไงไปเกยบหนังทำไงไปเก็บกระดุกทำไงไม่เกิดตื่นอะไรเข้าพิจาราอยู่เรื่อยๆสลับกับการทาสมาธิพอพิจารณาไปจนรู้สึกว่ามันน่าพูดซ่านแล้วก็หยุดแล้วก็ทำมาทำสมาธิทำจิตให้สงบ พอจิตสงบแล้วพักแยก ง, งานเท่าไหร่ก็ฝ่ายาแล้วก็พักไปพอเขาหยุดตัวแล้วเขาก็จะถอนออกม า, าแล้วเรากลับมาติดงาต่อแต่กระทั่งมันกันนี้ทั้งชาติยานไปเลยกนะพอเห็นใครแล้วไม่ได้เห็นเลยก่อนในตัวเห็นเหนกันแต่มันมันเห็นอย่างอื่นด้วยเห็นอาการรางที่สองด้วยเห็นแก่เกียรตตายด้วยเห็นซากศพด้วย ท่นนี้เห็นเป็นหุ่นยนต์นะเอเห็นเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มีเจ็บเกลียวเข้าไปควบคุมกร้ัที่ข้นต่อไปก็ต้องไปสูจดูว่าเห็นจริงหรือเปล่าเอาไปอยู่ใกล้ๆเสือซะหน่อยอะไรทานหนัอว่ามันเป็นหุ่นยนต์จริงหรือเปล่าไปอยู่ป่าช้าบ้างก็ได้ไปอยู่ในป่าบ้างก็ได้เพื่อจะได้ดูว่าความเห็นของเรานี่ยยังเต็มยังเต็ม ยังเป็นพิจารณญญ์อยู่หรือว่าเป็นปฏิบัติถ้าเป็นปฏิบัติมันก็จะต้องวางเฉยได้ค่คือตอนด้กนยก็ทำกรารบ้านไปก่อนซ้อมไปก่อนหน่วยทหารก็ซ้อมรบไปก่อนซ้อมรบซ้อมวิธีรบกับฆ่าศิกศัตรูซ้อมใช้อุปกนิ์ต่างๆพอถึงเวลาที่พเราพร้อมแล้วเราก็ออกสุยดยา เราก็ต้องออกไปหาที่ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายของร่างกายเราดูซะว่าเราปล่อยมันได้ตามทฤษดีหรือเปล่าราการนี้นี่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียดินน้ำลมันมันจะต้องตายอย่างแน่นอนต่อตอนที่จะให้มันเป็นไปตามความจริงหรือไม่ถ้าเราพร้อมเราไปแล้วเสียใจแ น, น่นอนอย่งแน่นอนไม่กลัว รู้สึกเฉยแล้วก็รู้ว่าเราผ่านข้าไปแล้วยังสั่นกับมารอเข้ า, างี้ก็ก็ยังต้องตอย่างต่งตง า, า, งางไม่ไมมต่านีเวลาชีวิตเราเรียบราบเรียบนะหรือว่าพันาเรียบเรียบไปนความรู้สึกว่าดดกิเลสก็คงเรียบเรียบไปไม่ค่อยมีกาลังเท่าไหร่แค่เกิดภาวะขับขันปุ๊บเนี่ย ไม่รู้กี่เดียบมันกำลังมาจากไหนเหรือก็าเรามากแลวเกิดแล้วเราก็ไม่ถัามันตรงนั้นอื่นเพื่อนวิจัยว่าตอนที่ราบเรียบเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เป็นนักหนาใชกเหมือนตงขาไฟเขาไฟ้าเขาไฟเวลามันไม่มาพก่งมันก็รู้สึกว่ามันน่ารายมีควันออกมาลิ้นหนหรอนก็ยังยังไม่ดูอะไรเท่าไหร่แต่มันพุ่งขึ้นมาเมื่อไหร่มันเหมือนกัว่ามันกลังมาจากไหนเรากำลังกายเ็นว่าเรากำลังเออนไปททีนือ เวลามันมไม่เดือดเนี่ยว่าก็ไม่มีปัญหาแลพอเดือด น, นี่กาแทรกจะมันเปิใช่ก็จะพูดถึ ง, งปัญญาอบรมสมาธินี่เราพิจารณาไปแล้วเนี่ยพอเข้าสมาธินี้แบบแว่าจากปัญญาที่เราพิจารณาเนี่ยมันลงรวมไปที่จิตสงบไปเลยใช่ไหมครับไม่ได้ไปไม่ไดกลับไปที่พูดโทก่อนมันมันไปเลยนยครับด้ นนงงมันมก็ว่าจาัดจากการเที่ยวพิจารณานะงานาพิจารณาไปเนี่ยจิตมันก็ได้ลงสงบไปเลย อ, อย่างนี้ถือว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิใช่ไมไม่ใช่หมาวว่าสลับกัไปทำปัญญาทีแล้วก็สมาธิทีสลับไปอย่างนี้อย่งางการนึ่งคือพอเราทามสมาธิเสร็จแล้วเวลาเราต้องการจะพัิเราก็ใช้วิธีคือถ้าเราทางนานแล้วบางทีเราไม่ต้องใช้ปัญญาแล้วเราเพียงแต่ใช้สติสั่งกำหนดปั๊บมันก็จะนิ่งของมันตา กันนนเองหรือถ้ า, ามันไมนิ่งเราก็อาจจะใช้ทำบริกรรมควกทํากลับไปก็ไดหรืออาจจะใช้ปัญญาที่เราเคยใช้ข่มจิตก็ได้แลแ้วจะว่ามันจะถนัดในทางใดพวนี้เป็นเห ม, มือนสวิตไฟปัญญาก็ดูพุทโธก็ดูเป็นเห ม, มือนสวิตไฟเวลาเราต้องการดับไฟเราก็ต้องปิดสวิตต์กับเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้คุทโธใช้อัญญาปัญสติ โดยใช้สติกำหนดถ้าสติมันมีกำลังมากมันทำงานมากมันไม่ต้องใช้อะไรมันจ ะ, จะบอกตัวบอกเธอว่าหยุดคิดได้แล้วมันก็หยุดละเพราสติมันมีกำลังมากพอที่จะข่มไม่ให้มันคิดได้มันก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยตัวสตินี้ก็จะมีกำลังมากน้อยเพียงถ้าไม่พอก็ต้องใช้บริกรรมก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ข่มยังเข้าไป แต่ปัญญานี้มันเป็นปัญญาเฉพาะกิจ ม, มันใช้เฉพาะเวลาที่จะผมใจให้มันไปแต่ปัญญาที่เราต้องใช้เพื่อที่จะดับกิเลสต้องเป็นปัญญาที่เราพิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าจออนกว่ามันจะเอาชนะกิเลสตัวนั้นได้พอชนะกิเลสตัวนั้นได้แล้วปัญญาตัวนั้นก็ไม่ต้องทําางนอีกต่อไปการพิจารณาความตายไปจนกระทั่งมันไม่กลัวาตายแนละ้วมันก็ไม่ต้อพิจารณาต่อไป พิจารณาุภาพะจนกระทั่งมันไม่มีการมาราคาอีกต่อมันก็ไม่ต้องยังก็ไม่ต้องพิจารณาอัศวะอันนี้คนต่างๆกันพิจารณาเพื่อทำจิตให้สงบนี้ก็เราก็ถามมาตอนนี้จิตกของเราพูนกับเรื่องอะไรแล้วก็เราก็เอาปัญญาไปจัดการเพื่อให้มันตัดเรื่องนั้นได้บ้างตัวมันจะสงบตัวห่วงรูปห่วงภรรยาห่วง งงานก็ตัดด้วยปัญญาเนาะเขาคนนีดด้มันไม่เคื่อเราก็ไปควบคุมนครับไนะม่วดาพ อ, อ, อ, อเราพอเข้าากต้องมันก็ปล่อดมาปอยมันก็สงบมันก็เล่นเรื่องที่ทาได้เราภาวะโกร่งมันก็ปิดจักรหนกตัวเนาะนะงั้นเวลาที่เราใช้ปัญญาทาให้จิตสงบมันต้องต้องคิดหรือว่าปิดกัติดอยู่กับเรื่องอะไรเหมือนกับเหมือนกับ เสรกับกินไว้ติดอย่างนี้ยาฟันต้องมาให้มันลงแล้วมันยังไปค้างอยู่กับกิ่งไหนล้วก็ต้องไปตับตัดกินนั้นเพื่อจะได้ให้ต้นยันงงอกอยู่ต่อยาเรียกว่าต้นยาวปนัญญาที่ท่านท่านยายที่ม่บอกว่าปัญญามีสองแบบคือปัญญาข้อกิจที่เราจะควบคุมให้มีสติกับปัญญาที่คือนาพิจารณาเพืุ่ดพ้นถูกไหมคะมีสองบบอ่างเลยแล้วก็พื้นฐานของให้เกิดสติก็คือการ ต้องม um, ีสมาธิเป็นพื้นฐานไม่ต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานนพื้นฐานเป็นตัวนให้เกิดสมาธิสมาธิที่ต้องมีอยู่ตลอดเวลาคือต้องดึดจิตให้อยู่ในในปัจจุบันไม่ให้ไปในอดีตไม่ให้ไปในอนาคตทําอะไรก็ให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ไม่อยู่กับร่างกายนี่ร่างกายกําลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับร่างกายหรือใจกําลังคิดอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับ ความคิดนะดการก็ได้ดูใจ ก, ก็ได้แต่ใจมันดูยากกว่าดูกายเวลาเตอนนี้น ด, ดูดูใจไม่ที่ออกไม่รู้ว่าใจอยู่ตรงไหนแต่การนียมันชัดกว่าเห็นได้วยตาก็เอาการนีเนนนนรเน้เป็นที่ตั้งของสติตั้งแสดงว่าที่ตั้งของสติมีสี่จุดนี้อการเล่นาจิตทำเป็นที่ตั้งของสติได้แต่เวลาเริ่มต้นต้อง กายก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับทางจิตครมาเหมือนกับเรียนหนังสือมันต้องก่อกายก่อใจตอนตอนที่มันจะมันจะอ่านออกเขียนได้มัจะต้องเข้าก่อกายกอใจเปกอสติเรียนเรื่องต้องก็ต้องอยู่ที่กายกันเวลาทำสมาธิได้นก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเขาออกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายให้ใั้ทำให้รวมเข้ารวมออก เงินเะาจะในในมาจะปิดสถานที่โถงสแสดงไว้อย่างนั้นในเรื่องต้องทำใจให้สงบก็ย่างขับสมาธตั้งตัวให้ตรงแล้วก็กำหนดดึลงลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปบังคับลมเพียงแต่เอาลงนี้เป็นที่ตั้งของสติให้สติดึงลงเข้าลมออกอย่างต่อเนี้องไม่ให้ไปรู้เรื่องอื่นเวลาเลมเข้าก็รู้ว่าลงเข้าเวลาลงออกก็รู้ว่าวลมออก ไม่ใช่ลมเข้าแล้วก็รู้ว่าคนนั้นกำลังทํานี้ทำอย่างนี้นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องมีแต่ลมเรื่องของลมอย่างเดียวไม่มีเรื่องของผู้อื่นต้อมาเกี่ยวข้องเลยเมืจเ่จเราเรียนบังทับลมให้ละเอียดให้ยากไห้หายใจสั้นหายใจอยาวปล่อยเขาไปตามธรรมาชาติของเขาถ้าจิตเรื่องละเอียดเข้าไปเรื่องสงบเข้าไปเรื่องก็จะละเอียดตามควต้องกาวลก็จะยากคอไปใจลมก็จะละเอียด จนถึงจุดที่รู้สึกว่าลมหายไปให้รู้ว่าลมหายไปอย่าไปตกจใงกลัวเพราะพอตกใจกลัวแล้วมันจะทําให้จิตถอนออกมาไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้เพื่อจะให้รู้ว่าถ้าตายได้มีสติอยู่ไม่ตายแค่นี้ก็พอคนส่วนให ญ, ญ่เวลาดูลมแล้วพอลมหายไปนี่ตกจใจเยอะไม่มีลมหายจางแล้วหรือว่าตายเนี่ยกำลัที่ถอนมาหาลม พอถอนออกมาหาลมลมมันอยากจิตก็อยากกลับขึ้นมาจิตมันจะเกิดเข้าเข็มละเข้าได้เข้าเข็มเหนือยแบบจะเท่าละพอถึงจุดนั้นก็กลัวก็ถอนออกมาถ้าปล่อยให้มันหายไปมุ้งตามทางจริงมันก็จะวุ้บลงไปมันลงไปจะไม่งสบายเหมือนขาดใจเหมือนกันในเวลาตอนนั้นเวลาที่มันโยมลงตอนนั้นลงนด้เหมือนคนขาดใจมันวุ้บลงไปพุ่งเมืก็เสร็จพุก็ แต่มันเล้งมันสักแต่ว่ามัอยู่มีเฉลี่มเย็นมันสบามีความสุขนต่ท่านลมเอยากจะกลัวเนี่ยเวลาถึงจุดนี้แล้วก็ให้รู้ตามความจริงของลมรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็มก็รู้อยู่นะรู้อยู่กับตัวรู้ก็และกันขอให้มีสติรู้อยู่ขันสภาพที่ไม่มีลมนั้นต่อไปแล้วมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบเอง แต่อยากก็อยากให้มันเข้าเยมาเดี๋ยวพอนั่งถึงจุงนั้นแล้วบอกเมื่อไหร่จะเข้าสัคือไม่เข้าแล้วทีตามมาแล้วจะเข้าทำไมไม่เข้าอย่างนี้มันก็ไม่เข้าเลยมันจะไอกจะเข้าก็ปล่อยวูบปล่อยไปเลยนะปล่อยไปเลยอย่าไปอย่าไปนู้นนะจะไปนู้นไม่เข้าเพรใช่รู้ที่เดีคือเมื่อที่ก่อนก็มีน้องมาถามว่าเขาเขาเพิ่งภาวนานี่ยจ้ะแต่พอภาวพุทธเนี่ย มันมันจะหายไปเลยแล้วเาก็เลยกลัวฮก็ถอนเพราะเขาต้องนึกไม่มีสบการณ์ก็เลยเขาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาทั้งต่นตังตาทั้งก็ขียนเวลาดูลงเวลาลงหาไปม่นจะกลัวกันทุกคนกลัวแล้วถอนก็ภาวนาทีไรต้อมาเก็บตัวให้จับแต่ว่ารู้ก็ระดับให้รู้ว่าเออตามนี้ไม่มีลงแล้วไม่ราก็ในเวลาจำเรารู้เราไม่ตาย ขอให้รู้อย่างนี้มันก็ไม่ตายหรอกตรงนี้เราไปคาดว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันองบทาไมมไม่สก็อย่าไปคิดนจะยุ่ต่างรู้เฉยๆถ้าถกนักแ้เนี่ยตอนนิ่งแล้วเรควรที่จะพิจารณามน่ตอนที่มันนิ่งไม่ให้ทาอะไรเพร้นให้ปล่อยมันอยู่ได้เงินให้ ตอ้นมันขาดสุขกาสมาธิไม่อยากจะทาอะไรมันจะอยากจะอยู่นั้นไปนานๆพอมันอิ่ตัวแนละ้วมันก็จะถ อ, ยอยนออกมเองพองถอนออกมาแล้วเร่คิดเร่เรเรื่องนเรื่องนั้นนะกพาา็พิจารณาพิจารณาร่างกายก็ได้ร่างกายนี้ก่อนนะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายนะร่างการนี้เ น, นะนี่ยการหายดีแล้วนะผมขนแล้วตอนไม่ใช่ตัวตอน เป็นเพียงเ่นน้ลงไปวิปญาเนี่เป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราวิญของไขรอะไรน้เป็นอย่างนี้กันกำหนดดูสภาพขั้นตอนของมันเวลาสาวเป็นย่งไรเวลาหนุ่มเป็นอย่งไรเวลาแก่แล้วเป็นอย่างไรเวลาเจ็บท้ายไอ้ป่วยแล้วเป็นอย่างเวลาตายแเป็นอย่างไรดูไปดตามความจินั่นเองเปรียบษาความจริงเรีบษาความจริงของร่างกาย ว่มันเป็นอะไรกันแน่มันเป็ตัวเราของเรารูอปล่าหรือมันเป็นเพียงการวมตัวของธาตุสี่น้ำลมไฟนอนเป็นอาการต่างๆเช่นผมขนเลื้ยฟันน้ำเลื้อยก็ถูกแล้วก็พอถึงเวลามันก็แยกออกจากกันจากเคลื่อนตัวน้าลมไฟสลับกัน พอพิจารณาไปท้กระยากนิดน้งก็รู้สึกว่ามันจะจะโลเลยท่านจะท่านจะเผอเลยไปคิดเรื่องนั้นเนี้ก็กลับมาทำสมาธิใหม่ ก, ก่อนแสดงว่าสมาธิหมดกำลังที่จะเดิงจิตให้อยู่กับธรรมะเจริญเริออกมาเพ่งพลาดเริ่มมาชวนคิดเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเรื่มห่วงคนนะั้นหวงคนนี้ห่วงเรื่องนั้นนะห่วงเรื่อง น, น, นี้ก็อ่ะทํามาทําสมาธิใหม่ก่อ น, นจิตให้สงบ พอเวลาจิตสงบนี้เราต่างให้มันคิดเรื่องอะไรก็จะคิดได้เพราะไม่มีกิเลสกิเลสมันถูกฉีดยาสงบไว้ชั่วครางแต่พอหมดฤทธิ์ของยาสงบแลกิเลสมันก็เริ่มออกมาเริ่มห่งวงเริ่มกังวลเริงง่ม อ, อยากได้สิ่งนี้นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ต้องถ้าไม่สกัดด้วยปัญญาก็ต้องกลับมาทำด้วยสมาธิทำด้วยโมจิจังพุทโธค่ะจนกว่ากิเลสมันจะ นิ่เวลาจิตนี่ง็กเรก็นิ่งตาเหมือนหอที่จะผ่านคนไข้นะคอยาสงบกระบอกนิดก็ต้องรีบเตรีมยาสงบด้วยกันเดี๋ยวคนไะข้กระลุกเวลาเวลาตัดตรงนั้นผ่าตรงนี้มันะสะดวกมันจะเจ็บพราะคนไข้เริ่มรู้สึกตัวนะก็ต้องหมอหมอที่จะวางยาเขาถึงต้องคอยคอยดูอดยนะู่ตลอดเวลา ว่ายายังทํางานอยู่หป่ะไม่ใช่หมอผ่าไปขึ้นทางอ่ะตัวยาหมดลึกขึ้นมายุ่งปัญญากับสมาธิทาหนา้าที่สลับกันนั่นเปรียบทียมือเท้าซ้ายกับเท้าขวาเจรรเดินเราไม่ได้เดินเจสองเท้าร้องกันถ้าเท้าเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ยันนะถ้าเท้า เท้าขวาก้าเท่าซ้ายขยันสลับกันทั้งที่ถ้าเดินสองขาพ้อมกันก็ต้องกระโดดไปกระโดเก้าวไปมันก็ไม่รวนเร็วเท่ากับสลับกันเดินสลับกันวิ่งร้ายขวาซ้ายขวาไปจะมาดกับปัญญาก็จะทําหน้าที่สลับกันจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติโดยมีสติเป็นตัวตัว ตัวกำกับสตินี้เป็นทรรที่ใหญ่กว่าสมาธิและปัญญาสำคัญกว่าเป็นนอยเท้าช้างแต่แม้ปัญญาจะมีความสำคัญที่สุดในการดับทีวิตแต่ปัญญาจะไม่เป็นปัญญาถ้าไม่มีสติเหมือนพวกเราถ้าไม่มีพ่อไม่มีแาก็ไม่มีทางที่จะเกิดอย่างพ่อแมตอ่ต้องใหญ่กว่าเราเสมอเราอยากไปใหญ่กว่าพ่อแม่ ยญาปยาจะครูบาจะจนเป็นผู้ให้กำเนิดเราสติก็เป็นผู้ให้กำเนิดสมงางที่เราทำงานนั้นเบื้อต้นเนี่ยเราต้องเจริญสติให้มากถ้าเราทำได้ทุกวันไม่ว่าอยู่ที่ไหนสติอยู่กับใจเราใจเราไม่หยอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยชอบเจริญสติกันเราชอบทำลายตาหรือใจเดือดของเรา ชอบทําอะไรสอย่างควบคู่กันคไปทําอย่างนี้แล้วก็คิดอย่างนั้นทำเร right ื่องนี้อยู่ก็ไปคิดเรื่องนั้นด้วยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติทำเรื่องไหนก็ต้องคิดเรื่องนั้นให้อยู่กับเรื่องนั้นถึงเรียกเร่องไม่มีสติพอมีสติแล้วต่อไปมันก็จะเห็นใจมันก็จะเห็นเกล่ยดเวลาโลกก็จะเห็นเวลาปวดก็จะเห็น ถ้าไม่มีสติมันจะไม่เห็นไม่เห็นแต่แต่สิ่งภายนอกเห็นสิ่งัดีก็ไม่รู้ว่ากิเลสอมาแล้วเห็นสิ่งนั้นไม่ดีก็ไม่รู้ว่ากิเลสออแต่ถ้าดูที่ใจจะรู้เวลาจิตว่าอะไเวลากิเลสว่าอะไรดีหรืไม่ดีจิตมันจะกระเพื่อมขึ้นการกระเพื่อมของจิตนี้ก็เป็นความทุกข์จิตแต่จะไม่เห็นถ้าจิตไม่เคยสนัดมาก่อน จิตที่ไม่สงบนี่เวลามันก็เพื่มเพามันก็เพื่มอยู่ตลอดเวลามันก็จะเห็นควาจัดการกัน mm hmm. แต่พอจิตสงบแล้วนี่พอมันก็เพื่มนิดนึงจะรู้อย่างละกิจกับเพื่อนนะฉะนั้ น, mm hmm. น, นสมาธินี่จึงเป็นตัวสําคัญมากในการดูจิตต้องเจ็ด ต, ต้องนิ่งก่อนแล้วถึงจะเห็น mm hmm. เห็นการเตลี่ยนแปของจิตได้ พอจิเนี่เวลากิเลสทางานป้๊บมันจะกระเพ่อมขึ้นมาจรงแต่รู้เลยว่า อ, อ๋นี้เป็นผลยาของกิเลยแต่ถ้าเป็นความคิดของธรรมจะไม่กับเพื่อมคิดไปในทางธรรมะจิตจะไม่กรบเพื่อมจิตยังเย็นยังสมาเหมือนเดิมคิดถึงใจรักอนิจจ์ทุก ข, ขาา์ันธนตากถึงมาส้ายี่จิตจะไม่กเพื่อมพอคิดไปถึงความสียงานาน่ารักน่ายินดีปั๊บเนีจิตกระเพื่อมขึ้นมาจ ถ้าจิตแน่ดีสมาธิจะไม่เห็นจะไม่เห็นความกระเพื่องจิตฉนั้นต่อให้ดูจิตไปตามรู้จิตไปก็จะตามรู้แล้วกรดับมันได้ในขณะที่มันมันกระเพื่อมมากกว่าขณะที่เรากระเพื่ออยู่คือตามที่ดูมีสตินี่มันก็มันก็กระเพื่อมเหมืนะแต่เวลากิเลสมันออกมามันก็เหมือนกับถูเขาไฟที่มันระเบิดจากการยาขึ้นมามันก็จะเห็นขึ้นละ แต่เมือนกับทะเลที่สงบนิ่งแม้กระทั่งก้อนหินก้อนเล็กเลี้ยวลไปก็จะเห็นว่ามั น, มนเคือนเกันผู้ที่จะะจริญสติแล้วคิดว่าจะบรรลนได้ื่อว่าคงจะยากเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรนี่เป็นกเลสจะรู้เฉพาะกเลสที่ตัวใหญ่หญขนาดระดับภูเขาไฟนะจะกิเลสที่ละเอียดลงไปไม่จ้งมองไม่เ ก็จะตามรู้และก็ดับความโลภความโกรธได้ในระดับหนึ่งนะแต่ที่ลสที่ละเอียดกว่ที่ทำให้เรารู้สึกมึนหงุดิดน้ำตาลใจอยู่ๆก็ไม่สบายใจขึ้นมาไม่รู้ว่ามนมาจากอะไรเพราะเป็ละเอียดกว่าใช่อหยาานอนหยาบาังนอย ครับมันมันนีเราพี่ยังหยาบหยาบอยู่เช่นเสียใจน้อยใจโกรธเกลียดกลัวประชดกังวลยึดถินหรือสาทั้งที่เนี่ยเราเห็นอาการของมันอยู่แต่เราไม่สามารถนี่จะจัดการกับมันได้นี่จะยังไงดีคะเพราะเราขาดกันยาเราไม่รู้ต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาแต่เรายังหลงลิดติดว่า สิ่งนั้นเิ่นนี้ยังดียังช่ว ย, ยเราไม่รู้ว่าความพียงมันไม่ดีไม่ช่วยมันเป็นการมันเป็นดินน้ำลงไฟเราไปเห็นตอนที่ดินน้ำลงไฟมารวมตัวเป็นนั่นเป็นนี่ครับเห็นในร่าตายของคนนี้เราก็เห็นว่าเป็นรายกรลายขอหน้ารักหรือราหน้ า, น า, นาตัวสวยงามหน้าเสียหน้าตัวแต่เราไม่รู้ว่ามันมาจากดินน้ำลมไฟ แล้วมันก็จะกลับไปเป็นน้ำเงินไปไม่ว่าจะหน้าตืน่นหน้าตัวหน้าวักหน้าชางอย่างไรมันก็มันก็จะกลับกลายเป็นน้ำเงินไปไปในที่สุถ้าเราเรู้ว่าเขาเป็นเทียนน้ำเงินไปเราก็ตัดความรักความชังได้แต่เราไม่เห็นแล้วเราไม่เห็นอาการ ที่ตรงการข้ามกันเราเห็นสิ่งทีส่สวยแล้วก็ไม่เห็นสิ่งที่ไม่สวยที่ต่องอยู่ภายใต้ใต้เปลี่ยนด้วยเราเห็นสิ่งที่เราคิดว่าดีแต่เราไม่เห็นสิ่งที่มันไม่ดีที่ซ่อนอยู่ที่เราตามมาเช่นเห็นอะไรดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ดีไปตลอดทุกอย่างมันต้องเสื่อมมันมันต้องหมดไปถ้าเราเห็นเห็นเห็นภารพรวมของสิ่งที่เรา มีอารมณ์ด้วยแล้วต่อไปอเราก็จะไม่มีอารมณ์กับภาพนะั้นกับสิ่งนั้นเราไม่ศึกษาดูเราไม่เห็นสภาวะของเขาตลอดรอด้งแต่เขาปรากฏขึ้นมาแนทข้างเขาแยกไปผู้อย่างนี่มันมาจากการการรวมตัวขึ้นแล้วทักวันหนึ่งก็จะแยกไปชาราแล้วนี่มันก็ไม่ได้อ ย, อยู่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ มันก็มาจากการเอาวัาตถุต่างๆ้ามารวมตัวกันมาฟองมามาสร้างมาทำให้มันเป็นรูปลักษณะอย่างนี้ทิ้งมาเลยสักร้อยปีมันก็จะ เ, เล่าป่วยไปตกกลาเป็นสภาพอื่นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอารมณ์ตรงนี้ไม่ว่าอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้ยังมันทุกอย่างวงสู่ไปรักษณ์ทั้งหมดเลยก็คือ แต่เราต้องพิจารณาก่อนที่มีแรงล้อแห้วลมนี้เกิดขึ้นเราต้องทําการบ้านถือไว้ก่อนถ้าเราไม่ทําไว้ก่อนพอมันเกิดขึ้นเราก็จะไม่ทันดังนั้นเต้องพิจารณาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีอารมณ์หรือไม่กับสิ่งเหล น, นั้นเราต้องฝึกพิจารณามองให้เห็นว่าเป็นภายแล้วอยู่ตลอดเวลาพอ เ, เห็นแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆจะไม่ยินดีไม่ยินร้อยกับสิ่งต่างๆ เกลียก็ไม่ทําเป็นเกลียดเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาเองเขาไม่อยู่ไปตลอดรักก็ไม่รักเพราะรู้ว่าเดี๋ยวพ่าต้องจากเราไปจะเรารู้สึกเฉยๆป็นตาจะสักแต่ว่ารู้รับได้เขาจะน่าเกลียดก็รับได้ก็จะน่ารักก็รับได้แต่จะไม่ไปอย่ากอยากได้และอยากให้เขาไปจากเราเขายัางมีเพราะยัยงตั้งรูปเขาต่อเขาตั้งรินไป ปัญหาอยู่ที่เราที่เราไปหลงเราไมีปฏิิปยากับเขาเอง่้ะเพราะเป็นของเข้าอยู่นั้นมาเราไม่เข้าใจเขาเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เกิดอารมณ์ขึ้น่จ้ะก็ในกรณีที่ปัญญาอย่างเราอย่างไม่ทำในขนาดนั้นก็แต่ว่าสติเราอารมณ์เราเราเราเอารมณ์แบบที่น้องเขาบอก สติลนจับได้ว่เราเกิดแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าใช้ปัญญาประกอบมันก็ทาให้การการดับคือเนมันชาเรื่อยต่างกันจะได้เรื่อยแต่เราก็ตัวอย่สิเรืตัวอย่างสต่อไปปัญญามันเร็วมากมันก็มันเกติาตัวอย่รัว่าต่อไปตั่เกิดเลยเพราะว่าเราไปถอยราตองสตนของต้นเรตัของอาราตัอย่างสติเราตัย่าาตัญญาไม่มีสติไม่เรยางสเลัยเหมือนคนเย่างสติคนมาก ถ้าไม่มีสติก็เป็นคนบ้าหรือคนนอนหลับถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นคนนอกขาบอกไม่ไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆต้องไปอาศัยจิตตแทกกินยานอนหลับคน่งที่ฟังฟังีท่านอาจารย์ท <wh> ี่ตังใส่บาตรแล้วมีลมทะเะกันเร่นี้ก็คือสิตามที่ท่านเร่องร้อยแล้วใช่แลเก็ไม่มีปัญญาก็ไม่ใยัง เรารู้เสียงเกี่ยวกับฝนสภาพที่เราสัมผัสอย่างเนี้มันเกิดดับเกิดดับนันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่เราไม่รู้วันเปลี่ยนแล้วมันไม่ไอยู่ภายใต้การอำนาจของเราที่จะไปกําหนดให้เันเป็นไปตามที่เราต้องการนะบทีเราก็เห็นภาพที่ที่เราพอใจบางทีเราก็เห็นภาพที่เราไม่พอใจ แต่ถ้าเราพิจารณาว่าจริงๆแล้วความพอใจหรืความไม่พอใจนี่ก็อยู่ที่เราเองเราไปพอใจไม่พอใจเองครับเขาก็เป็นของเก่าอยู่อยของบางอย่างตอนต้นเราก็ไม่ได้ไปชอบไปอยากด้วยะแต่พอมีคนมาสอนมาบอกว่าถึงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เดนาคาขึ้นมาเราก็เกิดความอยากขึ้นมาเองแต่เราก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีผลประโยชน์กับใจของเราจริงๆเลย คัาจิงทุกอย่างมันกลับเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์พอเราได้อะไรมาแล้วถึงแนะผลพิษว่ามีราคาเช่นเพชระก้อนสักน้อยกลดนรัมของใครได้ก็จะตื่นตื่นตื่นติมเติมเติกันใหญ่ดีใจกันใหญ่แต่ไม่คิดถึงว่าเราจะดูแลรักษาเป็นังไงกายเป็นความทุกข์ขึ้นมานะถือไปไหนมาไหนเดี๋ยวกว็โดนก็ต่างอลาดไม่คิดอย่างนั้น ไม่เห um, uh, ็นโทษเห็งแตจรินจริงม่นต้องเห็นทั้งสองส่วนที่อย่างมาเมีทั้งคินทั้งโทษค่ะเบียรถามคือเคยได้ยินมาว่าถ้าถ้าไข่ไกรือไข่เกียวอะไนี้แล้วไข่แดงไม่สุกเป็นการบักนี้แสดงว่าถไข่แดงไ่สุงดแบบเหมือนเป็นสิ่งมีชีว ไม่าว่าแท้หมายถาว่าเป็นที่ีหรือไม่เพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพมากกว่าเพราะของเด็กนี่มันต้องจะมีเชื่อโรคแล้วก็เวลาทาอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างตางนี้ต้องทําให้มันสุกเป็นที่ไม่ได้ว่ า, ามันมันเป็นหรือ ม, มันไม่เป็นเนื้อเช่นเนื้อนี่ก็ต้องอย่าให้มีเลือดทำให้มันแห้งตัย ก็ต้องให้มันแห้แข็งอยูเลยมันมันสุกเต็มที่ถ้า<ม>ถ้าโดโค้ไม่ได้ฉันไม่ได้เวลาที่ญาติยมเอามาถวายแล้วเช่้ไข่ดาวไข่แดงมันยังเป็นน้ำอยู่ท่าก็ฉันได้จากไข่ขาวที่อยู่รอบๆที่มันมันแข็งแล้อันนี้เป็นเรื่องของผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากก ท่าอาจารเคยเห็นโยมถวายเข้ามากเหรอท่านอามันมีศสารเล่าหรือพื่พระเ้าประันได้หรือเปล่าก็มันเป็นเชื้อราไงก็หาถึงไม่ได้ถ้าหากกินเข้าไปแ่าล้วมนมามกงเอหรืเปล่าถายนะถ้ามันมีศาสนาเล่าเข้นมาทีบางคนคือคนที่สายบานี่เขาอกว่าไม่ได้ศึกษาธรูมบางทีเขาไม่ได้เข้าวะเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควร แต่้าับไม่ได้เขาใส่บาต ก, ก็ใส่ให้ ก, ใหก็ให้ก็ใส่ได้แล้วก็คือแต่เราพยายาไปฉันก็แล้วกันแม้แต่พาราด mm hmm. ดิบก็ฉันไม่ได้คุณ mm hmm. บาจารย์ mm hmm. เคยดล่ให้ฟังว่าท่านกรดาไปอยู่ในป่านเขากชาาัชาป่าชวเขาทีเขาก็ไปรู้เขาก็ใส่ภาลอดดิดมาให้ท่นบบ า, ทานเปบายจะมา mm hmm. ได้ข้าวหอได้ลาล่ามาหอให้กดีใจทีน่นี้ได้มีกับขึ้นแะล้ว พอ เ, เปิดออกมาดูเอาเงินปลาล่านอีกขาวฉันไม่ได้เราทาแต่ค้าวข้าเปล่าแล้วพี่เต็นบอกว่าให้เอาสติตั้งที่กายเวทนาจิตธรรม ท, ทีนี้เอาสติตั้งที่เวทในา น, น, นิสต์ได้ไงเราคิเทียบใหญ่กว่าอ๋อจะดูความก็ถือกันอันนี้เราถือทุกทุกไม่สือไม่ถือ แล้วก็คอยสังเกตดูเรื่องเรืว่ามันสุขไปตลอดหรือเปล่ามันทุกข์ไปตลอดหรือเปล่าเรื่องมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้ามีสติอยู่อยู่กับอารมณ์ความความรู้สึกเหล่านี้ตลอดเวคลาตอนนี้เป็นความรู้สึกย่างไงหรือเปล่าสุขหรือเปล่าเรื่องทุกข์หรือปเปล่าหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้วันไปนะแต่อยา่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรืออย่าอยากให้มันหายไป นั่งแล้วรู้สึกเจ็บดังนั้นปวดตอนนี้ก็ให้มันรู้ว่ามันเจ็บตรงนี้ปวดตองนั้นแล้วก็ปล่อยมันเจ็บตรงนี้ปวดตองนั้นปล่อยไม่ต้องระทำอะนรมันทั้งนี้เรียกว่าดูด้วยปัญญาดูด้วยสติถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาพอเจ็บตอนนั้นต้องก็อยับเกลี่ยนท่าที่แสดงว่าไม่ได้ดีไม่ทันาด้วยสติด้วยปัญญาดูด้วยกิเลสเพราะพอมันเจ็บมันจะเกิดปัญหาคือวิภปวตัญหาขึ้นมา ความไม่อยากเก็บขึ้นมามันก็เป็ี่นยนเองแล้วมันก็จะทำให้จิตไม่สามารถตั้งอยู่ในอุกขาได้ตั้งอยู่ในความสนบได้มันก็จะเก้นไปเก้งมาเหมือนกับเหมือนกับยืบ้อฟุตบอลเตะไปงนู้คนนั้นก็เตะกลับมาทางนี้เตะมาทางนี้คนนี้ก็เตะไปงน้พอพอดั้งไปแล้วเกิดเวทนาแบบนี้ปั๊บก็เปลี่ยนทันทีพอเจอกับจ น, นาก็พยายามอยากให้มันอยู่กันอยนา พอมันหายไปก็เกิดน้อยขึ้นมาจากการทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจอยากใหใจสงบนิ่งัน็นรูปเรขาก็ต้องฝ่าเวทนาเขราใจตามเรื่องขอครับเขาสุขก็รู้ว่าเขาสุขแต่ให้รู้ว่าสุคนี้ทำไมไม่เทียงเขาทุกข์ก็รู้ว่าเขาทุกแล้วก็รู้ว่าทุกข์นี้ทำไมเที่ยงเหมือนกันเขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าเขา ไ ม, ไม่ทุ ก, กไม่ทุกและก็รู้ว่าเขาไม่เที่ยงนี้กันปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเพราะเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปบงังคับทาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์เขาก็เขาจะเป็นเพียงแต่อันิจากับอนัตตาแต่จะไม่เป็นทุกข์ขัมกับเราถ้าเรามีสตินี้มีปัญญา ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพราวก็จะเป็นนักอธิการทุกข์กลงอนัตตาของเราจริงที่ปฏิบัตินี้ก็เพื่อได้ต้องการจะกําจัดตัวทุกข์ที่อยู่ในอันนี้อยู่ในใจรักนี้ทุกนในใจรักที่เราเรากําจัดได้เพราะทุกนในใจรักก็คือทุกนในระยะสัทธิในใจเราเองที่เกิดจากปัญหาความอยากพอใจเราไม่อยากกับความกับเวทนาแล้วคือปล่อยให้เวทนาเป็นไปตามเรื่องนะครับ เขาจะเป็นยังไงก็ได้อย่างนี้ก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราเรื่องอยากต้องพยายามไม่อยู่เลยตรงกลางที่สุดไม่ซ้ายไม่ขวาตรงกลางไม่อยากไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีภาวะตันนาไม่มีภาวะตันนาไม่มีาวะตันนาเมื่อมีความอยากกับไม่ตรนา สุขก็ไม่ได้อยากจะให้มันสุขไปนานๆทุกก็ไม่ได้อยากให้มันหายไปเร็วๆไม่สุขไม่ทุกก็ไม่อยากจะหนีมันอยากจะเปลี่ยนมันบางทีไม่สุขไม่ทุกก็ไม่พอใจอยากจะสุขมันก็ทุกข์ละพอทุกข์แล้วอยากจะให้มันหายมันไม่หายก็ทุกข์ละแต่ถ้ามันทุกข์แล้วเราก็รับกันได้มันก็จะไม่ทุกข์ในใจมันสุขเราก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่ไปตลอดพอมันหายไปเราก็ไม่ทุกข์ แสดว่ถ้าเรามาถึงจุดตรงนี้เราจะได้ตั้งสมถะนี่ัจจันที่จะถอดถอนคนนั้นนี่จะถอนมันจะได้อริยสัจสื่มันจะเห็นอริยสัจจะมีดวงตาเห็นธรรมการเห็นธรรมก็คือเห็นอริยสัจสี่สที่ิกัปัญญาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะพาให้จิตเข้าไปเห็นเห็นธรรมอันนี้ให้เห็นอริยาาสัจสี ได้เห็นทุกสมุทัยนี้โทษมั้งที่อยู่ในใจเราว่าตอนนี้ใจเรามีสมุทัยก็มีมั้งถ้ามีสติมีปัญญามีมั้งใจก็ไม่ถูมถ้ามีสมุทยัยมีความอยากใจก็จะถูกขึ้นมาอ้ต่อไปจะรู้ละปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ใคยอยู่ที่อริยสัจสี่ใน ใ, นใจเรานี้นเองถ้าใจเราอยากปั๊บทุกข์ขึ้นมาทันที เราก็ไปโทษคนคนั้นคนนี้เอ็นอยากให้สามีซื่อสัตย์กับเราแต่ก็ชอบไปหาของภายนอกบ้านนี้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปเราไปโทษเขาว่าเขาไม่ดีความจริงเราต่างหาที่ไม่ดีเราไปทุกข์กับเขาเองถ้าเราปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเ้าจะซื่อสัตย์แลือไม่ซื่อสัตย์ก็เรื่องของเขาเราไม่ได้มีควารอยากให้เ้าซื่อสัตย์หรืไม่ซื่อสัตย์เราก็จะไม่ทุกข์ เราก็จะไม่ไปแก้ปัญหาผิดเเราจะมาแก้ปัญหาที่ใจเราตลอดเวลาเพราะความทุกเกิดจากความอยากของเราเองที่มันเกิดความอยากเพพ่อมันกรรมวาที่นี้มันไม่มีความรไม่มีปัญญาไม่มีสัญญา ท, ที่ติดมันไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนี่มันไม่ได้เป็นไปตางความอยากของเราเสมอมันเป็นไปไม่ได้ อย่างนนั้นตอนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็กทุกข์ขึ้นมาทุกทีปัญหาอยู่ที่เราเป็อยากเขาเองเราไม่สบายใจไม่ได้พอกเขาแต่เราไปทั่วเขาเนะี่ยคุณทําให้เราไม่สบายใจเพราว่าเขาก็าคุณเป็อยากเขาทำามก็ปล่อยเขาตามเรื่องเขาคุณก็จะสบายใจ ว่าถ้าจะพิจารณตรงนี้ได้สมาตร้องมีกำลังเข้มข้นที่สุดเลยที่นี้จะพาก็จะดนว่ามีหรือไม่ถ้ามีมันก็ทำได้ทําไม่ได้ก็ไม่มีเนม่ยจำเป็นจะต้องเข้แล้วคนหรือ ไ, ไม่เข้มข้นเลยทําความจริแล้าความจริงโกเนี่ยเป็นหลักอย่าไปเอาพิธีมาว่าเราต้องมีเท่านั้นเท่านี้เอาเอความจริงเลยว่าทุกกับเขาหรือเปล่าถ้าทุกข์แสางว่ายังไม่มี ถ้าไม่ทุกก็แสดงว่ามีแล้วถ้าทุกเ ก, ก็เลืออะไรก็แสดงว่าไม่มีสติปัญญาพอแล้วถ้ายังไม่มีก็ไปฝึกมันข่างล้นเพื่อที่จะโชคกับม น, น <c oughs> อาจารย์ก็ลงมาตรงนี้หละจะ <c oughs> กลับมาที่การปฏิบัติของเราเลยย <c oughs> ั่ไม่ปฏิบัติกันเลยถามมาอาจารย์คะสมมติว่าตอนนี้ที่จะ <c oughs> ก็เราข้ามข้ามเบชนาไปได้ตอ น, น้นแล้วมันก็จะเกิดเกิดแบบเราไม่ไม่เจ็บตัวน่คะข้อมนั้นเราต้องดูอะไรออกก็สบายแล้วก็อยู่เฉยๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจ็บปวดมันก็แก้มใหม่ทํำใหม่ๆจนกว่าต่อไปไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปแต่ตอนนั้นมันจะสุกค่ะมันก็ดีส <vagy S 2> ุกก็<ๆ>อยู่เฉยๆไปก็สัตแต่ว่ารู้แต่นั่งต่อไปยังที่หลวงตาแล้วบอกท่านผ่านสามตัวด้วยกันเบชนา นั่งตลอดคืนตั้งแต่เย็นถึงถึงเช้ามืดประมาณแปดชั่วโมงแห่ว่าจะผ่านพิธณาสามขั้นขั้นหมูขั้นเจ็ดไก่แล้วก็ขั้นช้างคือมันผ่านขั้นแรกไปมันก็จะสงบไปทั้งระยะแลเดี๋ยวก็เริ่มเจ็บปวดขึ้นมาที่มันมจะรุนแรงกว่าขั้นแรกก็ต้องพยายามผ่านให้มไปให้ได้ผ่านขันที่ได้แล้วก็ไปขั้นที่สามตัวสุดท้าย ถ้าผ่านกันที่ได้ต่อไปก็จะไม่กลัวความเจ็บปวที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ส่วเกิดจต่ความตายเที่เดนมากเขอ่นสองการชันหาเด่ห้านี่ะคะเขาบอว่าสายคือเาพยาจากขยายความนิดนึงที่เขาอ่านล้วบอกว่าเวลาเกิดไม่ถนาดนะคะแล้วคำถามาอถามท่านอาจารย์ว่าพิจารณาทางอื่นได้ไหมได้ไหมครับท่านอาจารย์บอกว่า เป็นการเบ็นเบีนทางจิตก็เลยไม่แน่ใจว่าพี่นายถือได้ไหมคะได้ได้แต่มันไม่ได้เป็นแค่ปัญหาปัหานี่ค่ะก็ไม่เท่าทัดก็คือว่าถ้าจิตเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเจ็บปวดเพราะนั้นมันก็ทําให้เราดูเรื่องนั้นไปได้เนี่ยที่เวลาเรานั่งดูหนังแล้วก็ดูไปนั่งเป็นช่วงวงก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ย่งไรถ้านั่งที่มันก็เจ็บปวดเยอะแต่เราไม่ไปสนใจกับความเจ็บปวดนั้น ถ้ามีเรื่องอื่นมาให้จิตเรามีความสนใจบานที่เราตั้งเล่นไพ่ทั้งคืนแล้วก็นั่งเล่นได้แต่ถ้าให้นั่งอ่านหนังสือนั่งสมาธิไม่นั่งได้เพราะมันไม่มีอะไรให้จิตทําจิตมันจะดูแต่ความเจ็บพอเกิดควาเมเจ็บมันก็จะเกิดปัญหาความอยากหนีความเจ็บนั้นทันทีมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจจนทนไม่ได้ทนที่นั่งต่อไปไม่ได้เพรก็ชั้นตอนที่เกิดเจ็บเนี่ยเขาไปพิจารณ์ ได้ก็ได้แต่แต่มันไม่แก้ปัญหาไงขาดได้ก็พิจารณาดูว่าความเจ็บนี่มันเป็นยังไงมันเจ็บจริงหรือเปล่าแที่ท่านจอธิบายมีแบบว่าไม่ไม่ได้รู้สึกมันทุกข์ก็มันจะทุกข์ไปตลอดหรือเปล่ามันเที่ยงหรือเปล่าอะย่พิจารณาแบบพิจารณาตรงประเด็นเราไปบังคับมันได้หรือเปล่า เราสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าถ้ามันไม่หายเราอยู่กับมันได้หรือเปล่าคนอื่นก็อยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พ่อพิฆาตเจ้าอยู่ได้ครูบาอาจารย์อยู่กับมันได้เราก็ต้องอยู่ได้ถ้าเราไม่ไปอยากกับมันมันก็ไม่เป็นปัญหากหับเรามันก็จะไม่เกิดความทุกข์ถ้าเราอยากจะหนีมันหรืออยากจะให้มันจากเราไปหายไปเราก็จะทุกข์ขึ้นมาันงเพราะมันยังอย พิจนาเพื่อปล่อยวางเพื่อยอมรับตามความเพียงของเขา <N> เขาเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็นอย่างนี้อย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นกล้วก็วอย่าพยายามให้เขาเป็นส้มพ <N> ออยากให้เกิดเป็นส้มขึม้นมานก็ววุ่นวายแล้วนีน่ใช่ไเขาคิดว <N> ่าห้ามเขาไปพิจาดณาน้าลงไปเลยพวกนี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้ห้ามทําได้แต่นั่นเป็นบายของสมาธิมากกว่าเป็นการเดินเดินปัญหา ยัง ไ, ไ, ไม่ได้ไม่ได้พิจารณาแก้ปัญหาที่ที่รากของมันคือความหลงคือไปหลงคิดว่าเราเจ็บความจริงแยกแยกู่แล้วมันไม่มีเราอยู่ในความเจ็บนั้นมันมีแต่ความเจ็บกับตัวรู้เท่านั้นเองตัวรู้ก็ไม่ได้เจ็บแต่ตัวกิเลสมันไปผูกเอาตัวรู้กับเวทนาว่าว่าเป็นเราเจ็บขึ้นมา ไอ้ตัวนี้ที่เราต้องต้องแก้ให้ได้คือตัวหลงนี่เป็นหลองว่าเราเจ็บเราวัถามว่าเราอยู่ตรงไหนลองได้มันดูเลยเราอยู่ตรงกระดูกนะไม่อยู่ที่ขนอยู่ที่แลอยู่ที่ฝันมันอยู่ตรงไหนกันน่ยได้มันไปอยู่หามไปมันก็จะไม่เห็นว่ามีเรามันก็รู้ว่าไอ้เรานี่มันเกิดจากความหลงเองคือสร้างมันขึ้นมาเองถ้ามันมีความไม่มีเราก็ก็จบก็ป่วยมีแต่ตัวรู้ก็รู้ไป เม่ตามากันจริงๆถ้ายังไม่มีคือคนเรานี่มีจริตไม่เหมือนกันบางคนมีมีปัญญามากรู้จากวิเคราะห์พิจารณาแยก้ยพวกนี้ทำว่าสามารถพิจารณาได้เลยแต่บางคนคิดไม่เป็นแยกแยะนั่เป็นก็ต้องใช้อุบายของสมาธิไปก่อนพุดโทรไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ เวลาเจ็บปวดขึ้นมาเรพึ่โทพึ่โธไปไม่้ไปคิดถึงความเจ็บปวเดี๋ยวจิตนั้นก็ไม่มีไม่มีช่องที่จะไปหยาดให้ความเจ็บนั้นหายไปมันก็ไม่เจ็บในใจมันก็ไม่ทุกข์ในใจมันก็สงบตัวลงได้แต่นี้มันเป็นการแก้ด้วยด้วยส บ, บายของสมาธิมันยังไม่เห็นยังไม่เรียนยังไม่เห็นอริยสัจในใจที่เกิดจากทุกเกิดจากสัาญญาุวลใจฝ่ายหยา ระดับด้วยมากคือสติปัญญายังไม่เห็นมันก็ยังไม่มี ร, ร่งตายมันทำมันก็ยังอยู่ในขั้นโลกียะนีู่ถ้าเป็นสมาธินี่เป็นขั้นโลกียะแต่ได้ขึงนขั้นนั้นก็สบาย <c oughs> เวลาเจ็บปวดมากๆก็ไม่ต้องหาย า, ยาแก้ปวดก็ได้ก็พุโทโธพุทโธไปอย่างเดีย ว, หวยใหวมันเจ็บไปหน้างกายมันเจ็บไปเจ็บไปแต่ใจเราอย่าไปเจ็บกับมันก็แล้วกันมันก็จะไม่เจ็บมาก แต่ถ้าพิจารณาแล้วจนปรากฏเห็นอริยสัจขึ้นมาในใจอ่าทุกนี่มันมีสองสองชั้นทุกที่กายแล้วก็ทุกที่ใจทุกที่กายนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปยับเขาไม่ได้แต่ทุกที่ใจนี้เราดับได้เพราะใจเราปรญญามันถ้าเราบังคับใจไม่ให้ปรัญญาให้มันความทุกข์ที่กายนี้ดับไปทุกที่ใจก็ดับทันที มันจะเจ็บเท่าไหร่เจ็บไปแต่เราไม่ขอเจ็บครึ่งเดียวไม่เจ็บที่กายแต่ไม่ขอเจ็บที่ใจแต่เราจะไม่อยากให้มันหายไปมันจะเป็นงานก็ให้มันเป็นไปการความคิดของมันพอใจยอมเข้าแล้วทีนี้มันก็มันก็สงบเลยความทุกข์ภาในใจหายไปความเจ็บปวดเก้าสิบเปอร์เซ็หายไปเหลือเพียงสิบอซ็นตท้ความทุกข์ใจนี่มันรุนแรงกว่าความทุกข์ของกายเป็น มีหลายสิทธะเลยทั้ที่พิจารณาเนี่ยก็แับความทุกข์ใจพความทุกข์ใจมันมีแล้วร่างกายความทุกของร่างกายมันนิดเดียวมันนี่ก็นอฉีดยาถ้าไม่กลัวเข็มฉีดยาลดแล้วฉีดเข้าไปเนี่ยไม่เจ็บเจ็บนิดเดียวแต่ถ้ากลัวน้่ยังไม่ทันฉีดเลยก็ทุกขนะ์แล้วก็เจ็บแล้วนี่คือที่เมีดวงใจทำก็เห็นทุกข์ในใจ เ, นเห็นอริยสัจสี่ในใจ กระจายนะรุกเวนะรุกช้ากับจองใช่ไหมลุง ทุนนี้เหมือนยาใช่ไหมเขาถืออาหารนะเป็นอารหรก็เป็นยาถล้าก็เก็ไบังเวดได้แล้วแต่เขาจะตีความ เนกันค่ะตามสีคณะสี่ตัวอันนี้อะไี <mantra> a a ่ของท่านอาจารย์ือท่านทท่านาจาถือทค่ะเอท่านจะบรรจุไว้ในเจดีย์ค่ะสำหรับ รวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วก็เฉพาะพระค่ะตรงทีของตาท่านเขียนไว้ใช่ทั้งหมดเลยํำละแล้วเห็นว่าไม่ผิดสามสินีมิจริงมีสาสิบเจแต่ว่าท่านบอกประวัติท่านกานมั่นได้พิมทั่วไปอยู่ก็เลยไม่ได้บิมแล้วก็จะมีซีดี อันนี้อันนี้เป็นชุดเก่าที่ท่านทําตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าทำใหม่นี่ที่จะบรรจุใจดีได้ทําใหม่เห็นไปให้ทางการท่าธรรมระหยุ่จะหมายว่าทำเสียงให้ดีอ๋อปรับเสียงให้ดีนี่สมันั้นไม่รมีเครื่องเล่นได้เปล่าต้องใส่เองโน้ตเลยนี่มันก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพลงไม่กี่เพลงไม่กี่ปีน ja> ี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเทปก็อันแสนเลิศปีนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมดแน้วแผ่นซีดีก็แทบจะไม่ไม่ใช้กันละนั้นก็เปลี่ยนไแล้วมันก็ไม่ถึงแล้วเวลาก็ทําไปด้วยด้วยด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มีความปรารถนาที่อยากจะรักษาธรรมะ ไวใได้นานที่สุด้าวผู้งานได้สมัยก่อนก็พระก็ต้องท่องกันสืบท้ากันมาองแล้วคือในข้าวม่านนี้ก็มีอีกที่หนึ่งที่เขาแกะสลักพระตายคืดกไว้ในถุ่นเลยนะอ่าถินย่างโอเดียวเดียวพไม่มีอะไรมีคุณค่านี้กว่า พอทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่มีอะไรที่จะทําให้เราหลุดพนได้นอกจากพอทำคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อให้มีอะไรพิเศษขนาดไหนมันก็ยังทําให้เราติดอยู่กับเวรเวาตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทเจ้ามาประการพระธรรมคำสอนพวกเราไม่มีทางที่จะโผหัวขป้นมาขยันเลน อันนี้เรามีโอกาสแล้วเราจะโผลหรือไม่ขึ้นอย่ตัวแล้วเราเรายังอยากจะเป็นอาหารของปู่ของป้า <c oughs> ถ้ายัางยังติดความสิดไปนิดน้อยอยนี้ก็จะตึงอาหารของปู่ของป้าต้องพยายามมาอยู่แบบเรียบร่างอย่าความสุดกลาง ตาหูจะหลงมีการมากเกิดเคยดกันพายามลดละไปเรื่อยๆตัดัลงไปเรื่อยๆต่อไปตาหูของเราก็จะ แ, แย่ลงไปเรื่อยๆอยู่ดีถ้าตาไม่ดีต่อไปก็ดูอะไรไม่ได้หูไม่ดีก็ฟังอะไรไม่ได้เพระนั้นก็จะไม่ค่อยมีความสุขถ้าเรามีความสงบใจ ถ้ามีความสงบปายในใจแล้วต่อให้ร่างกายเป็นอย่างไรตามโยธรรมเป็นอย่างไรก็ไม่เดือร้อนมีมีประโยชน์มากคำละคำาอนของพระพุทเจ้าจะจะรักษาให้ดีที่สุดกนะารรักษาไายในใจเราเนี่ยดีที่สุดถ้าอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวมันจะไม่มีคอาเสี่ยงไปจากใจเรา ไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนพบได้ถ้ายังต้องเกิดอยู่มันก็ยังจะหล่อเลี้ยจิตใจเราผลักดันให้เราไปในทางที่ดีเส่ไมอย่างที่พวกเรามาทำบุญกันนี้ก็เป็นเพราะธรรมะที่เราได้สะสมไว้ภในใจนี่ที่ผักดันให้เรามาทําสิ่่นี้ต่อพวกที่ไม่มาหรพวกที่ไม่ทำบุญ ไห้ทานไม่รักษาถึงไม่ปฏิบัติทานก็เป็นพวกที่ไม่มีธรรมะในใจเท่าน mm. ั้นเองถึงแม้ธรรมะภายนอกจะสําคัญอย่างไรจะจะเก็บรักษาไว้อย่างไร mm. ก็ mm. ไม่ดีเท่ากับการเก็บธรรมะไว้ภายในใจของเราธรรมะภางนอกเราต้เก็บไปดูแลไปรักษาไปแต่มันไม่สําคัญเท่ากับ ธรรมะภายในใจเพราะว่ามีธรรมะภายในนอกมีอยู่รอบบ้านเลยมีอยู่เต็มบ้านเป็นอย่างไแต่ไม่มีอยู่ในใจเราก็ไม่เกิดปรนอยชน์ใดอะไรเรากระทบหน่ก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีต้องต้องสะสมธรรมะภายในใจไว้เป็นตัวสําคัญเป็นประการสําคัญส่วนธรรมะภายนอกก็มีไว้สําหรับ ผู้อผู้ที่ยังไม่มีธรรมะภายในเขาจะได้อาศธรรมะภายนอกทำให้เกิดธรรมะธรรมะภายในเกิดขึ้นมาธรรมะนี้ก็เป็นเหมืนยายาก็อยู่ข้างนอกร่างกายก็ยังไม่สามารถทำประโยชน์ให้กับร่างกายได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่เอาอยาเข้ามารับประทานมันก็จะไม่รักษาโรคภายไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้ แต่ในโลกภายใชล้จุดของใจก็ต้อาศัยธรรมโอสถเราก็ต้องน้อมเอาธรรมโอสถเข้ามาสนใจของเราด้วยการศึกษาคือปริยัติแล้วก็ปฏิบัติศึกษาแล้วเราก็นำออกมาปฏิบัติจนปรากฏเป็นปฏิเวณคือเกรดผลขึ้นมาหายจากทุกต่างๆที่มีไปในใจ เริ่มลงทำทำทำั้งสองอย่างคือศึกษาปรยิยะเช่นการสังเทศสังทำการอ่านหนังสือธรรมะการฟังธรรมะผ่านสื่ตอต่างๆแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติตอนนี้ก็สอนในหลายอย่างสอนเรืสติต้งใจปฏิบัติสอนเรืปัญญาเรืสมาธิปัญญาก็ให้พิจารณา รักษณ์พิจารณาสุภาพาพิจารณาปฏิปุจพิจารณาอนุจังพิจารณาธาตุสีลิ้ น, นหน้ามุมฝ่ายนั้นพิจารณาปแล้วก็พอพิจรณาแล้วก็เอาไปทดสอบดูว่าปล่อยปล่อยได้ไ้ยปล่อยให้เขาเป็นไปตามความต้องของเขาได้ไหปล่อยให้ร่างกายแก่ให้ร่างกายเจ็บให้ร่างกายตายได้ไห ฝ่ายให้เทนาเป็นไปตามเรื่องของเขาได้ไหมเขาจะสุขก็ไม่ไปอยากให้เขาเสุขตลอดเขาจะทุกข์ก็ไม่อยากให้เขาหายไปโดยเลยฝ่ให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา <c oughs> ถ้าทําทำได้แล้วใจเราจะเป็นอุนเบกขาจะสงบจะเป็นสัจจะรู้ว่าเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีความอยากกับความเป็นใไปของ เขามราจะเป็นอย่างไรงก็ปลอดเขาเป็นใจแล้วเราจะมีความสุความสบายใจไม่ต้องไปอะไรนักหนาเราเพราะความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจเราเองความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติจริยธรรมและปฏิบัติจนรากฏเป็นปฏิเวรขึ้นมานั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ใ น, ในตัวเราไม่ต้องรวยก็ทําได้ ไม่มีเงินให้ทานก็ไม่ต้องให้แล้วทาง น, นี้สําหรับคนที่มีเหลือกินเหลือใช้คนที่ไม่มีเหลยกินเหลือใช้ก็ไม่ต้องให้หมดหน้าที่ทา น, นี้เพื่อการกดเครื่องซับสมบัติเจ้ากองเงินทองต่างๆถ้ามีมากเกินไปมันก็จะเป็นเครื่องของกิเลสไปแล้วก็ยะเอาเงินทองไปซื้งความสุขกันไปเที่ยวกันไปเดินไปรับประทานกัน <c oughs> ถ้าไม่มีมันก็ต้องอยู่อยู่บ้านมินไข่เจียวกีข้าวบอกไข่เจียวไมันก็อยู่ได้มันก็อยู่เหมือนกันถ้ามันมีเวลาและปฏิบทําทำจิตก็จะสงบจะระงับจากความทุงสร้างต่างๆจากความอยากในลูกเสียงกินลดต่างๆก็จะได้พบกับความสุขในใจ ไม่ต้องไปที่ร้วนหาเงิเนหาทองให้ซื้อละหาได้มามากเกินก็ต้องเอาไปให้เขาอยู่ดีถ้าไม่ให้ตายไปก็เป็นของคนอื่นจริ่ต่อไปไม่ได้นะหามาทำไมไม่คิดบ้างหาสิ่งที่เราติดตัวไปได้หาสิ่งที่เป็นประโยชน์ถัดใจเราด้วยด้วยการให้ทานถ้าเรามีเหลือเงินทองก็ให้ไปด้วยการรักษาสี่ ในการภาวนาเจรสติสมาธิ ป, ปัญญาอยู่ตรงนี้หน้าที่ของเราเกิดมาถ้าไม่ได้ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เสียชาติขาดทุน <c oughs> ไม่มีชาติไหนที่จะดีเท่ากับชาตินี้พบของมนุษนไม่เป็นพบเดียวเท่นั้นที่จะปฏิบัติทำจนถึงผมได้ แล้วต้องอยู่ในยุคที่มีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ด้วยถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงที่ไม่มีพระธรรมคำสอนก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัตจิจนถึงทนได้ถ้าปฏิบัติได้เ็นที่เรแท่สอนชั้นของได้ แ, แค่ฌานสมายบัตเทนั่นเองตาม น, นี้เราเป็นมนุษย์เราปฏิบัติได้เรามีแสงสว่างแห่งธรรม คือพระทำรคำสอนของพระพุทธเจ้านาทางถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ไม่จักตัวประโยชน์อันะี้เราก็จะเสียโอกาสที่มีค่าอย่างนี้นี้ไปและไม่รู้ว่าจะได้พบกับโอกาสอย่างนี้หรือไม่ไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะได้เกิดตรงนี้ทาสอนไว้ มันไม่เป็นของง่ายที่จะดัรงชีพเป็นมนุษยไได้ตลอดเวลาไม่สามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาการได้ปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นของยากการการปรากฏของทำคำสอนของต้นพระเจ้าก็เป็นของยากวันนี้เราได้พบข อ, ของยากอีกแล้ถ้าเราไม่ ถ้าเป็นเหมือนกับลอตเตอรี่ก็เราถูกรางวัลแล้ถ้าเราไม่ไปขึ้นเงินก็มนุษย์จะว่ายางไงแล้วเนี่ยเราถูกลอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระธรรมำคำสอนนะได้ปฏิบัติธรรม้วได้ได้ดำรงได้ไดำรงชีวิตของเป็นมนุษย์อยู่ได้อันนี้เรามีปัจจัยครบขึวนโดยดูนะที่จะเพื่อต่อการหลุดพ้นจากการมีว่าตายเกิด ถ้าเราไม่ไปขึ้นรางวัลก็ไม่มีไทรเราก็อย่าไปโทษไครแล้วกันโทษความโง่ของเราที่เห็นเหมือนกับกไก่ได้คลอยได้พลอยมาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรได้มาเกิดเป็นมนุษได้มาเจอพระพุทธศาสนาแต่ไม่ตักตวประโยชน์อ น, นี้ไปกลับไปหาไต้เดือนตัวนอนแครรูปแบบ2รูปจริงๆว่า ให้รูปแบบของราบยศแต่งเสริมแล้วก็แบบกับความทุกข์ของสิ่งเหล่นี้ไปจนวันตายนะขอให้พยายามก้าไปทุกยากลำบากยังไงก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูครูบาจารย์ท่านหลาท่านเป็นตัวอย่างท่านก็ต้องทุกยากลำบนกท่านก็ต้องออกจากบ้านจากเรียนต้องไปอยู่ในป่าในเํา ถามกายความสดความสบายแต่สิ่งที่ท่านได้มานี่มันวิเศษกว่าสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่ท่านท่านจากไปท่านตัดไปทิ้งไปท่านได้สิ่งที่ยอดกว่าหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าถ้าเราไม่ตัดสิ่งเหล่านั้นเราก็จะไม่สามารถได้สิ่งที่วิเศษแต่ที่รอเราอยู่ก็ขอให้พยายามต่อสู้พยายามปัจิบัต พยายามทำให้มากนะน่าดีแหละฮาดีแบบอะไนมากต้อหาดิจิเป็น้องสอบก็มันมันก็มันเรียนหนังสืออีนหนังสือแล้วมันก็ต้องเข้าห้องสอบเดี๋ยวให้ให้ห้องสอบมันมาหาเราเช่นก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วเราผ่านผ่านฝาหนังก็ได้หรื เราเสียสิส่งที่เราล่าไฟแล้วเรายังเป็นปกติอยู่หรือเปล่าโดยเราเป็นหน้าเป็นมอไปแล้วรูร้สติไปแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆไปเป็นข้อสอบของเราหรือถ้าเราใจร้อนเราก็ไปหาข้อสอบของเราเองมันยังไม่เกิดก็เราก็ไปหาอย่างพระต่าทั้งหลายนท่านไปหาข้อสอบท่านนห้่รอให้ข้อสอบมาหาท่านบ กเราก็รอให้แก่ให้ความแก่นะฮะเราหาความรอความตายมาหารอแตอ่ท่านไม่ไม่รอท่านไปหาความตายนั้นท่านแนความ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทุกข์ความลำบากันเพื่อจะทดสอบดูว่าใจท่านีอ่อยู่เหนีอสิอหรือไ ม, ม, มก ก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรากลัวอะรที่เรากลัวเราแค่ต้องไปหาสิงนันงที่แล้วถ้าเราคิดว่าเราไม่กลัวแต่ว่าเราไม่ต้องทดสอบเราโกหกเราเองรอเปล่ากหตัวเราอย่างนี้เราไา่แรงกว่คนอื่นนะแตเราเป็นคนที่จะรับโทษรับผลของการโกหกเร ปิดเบอรไม่กลัวผีใช่ไหมลไม่กล้าไรอยู่เห็นะแต่ถ้าเราว่าเราไม่กลัวเราก็ต้องไปพิจารณาดูว่ไม่กลัวจริงหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราไม่กลัวแต่เราไม่ไปเข้าสอบก็ยังไม่รู้ว่าไม่กลัวจริงปรือเปล่าเพรจอยงไม่ยอมเข้าห้องสอบ เราพอบปากเปล่าแครจะจะสอบปักเปล่าไงเรานักสินงด้เราตัดมันได้เราตัดเราให้คนอื่นเข้าไปได้าตัดเขาตัดเราเรากลัวอะไรเราก็หาสที่เรากลัวนั้นเราตัด ตัขวขาเหงาความล้อนไปได้หยุดคนเดียวได้หรือเปล่ายาริมนั่นจิ้มนีเราตัดกันได้หรือป่าตาแดงที่ทาแดงมาให้ผมสลัดไม่ให้กระเป๋านะ คือสิ่งใดที่เราอยากเราก็ต้องละสิ่งที่เราไม่อยากเราก็ต้องละเด็กเราก็ต้องทําให้เราไม่ไม่ทำนึกติดไม่อยากเาลยรับเงินได้ ours, เช่เน Lee, ความเจ็บปวดเนีรับแต่ไม่ได้เราเราต้ อ, ง เ, ต อ, ง, ง, เเองเราต้องฝึกทําให้เรารับเงนได้การฝึกเราก็ให้เราไม่อยากเกี่ยวกับสุดก็ได้ไม่ถูกก็ได้ สายนีกนั้นยังไม่สคัญเ่ากาสยนต่าญาติวาฤกวาเวลากัดสินคเร่งติดจัังเอวันวิตือยัเปยานำถูกปกติ อิจิตังสัจิตังทุหังจิตังเวะใะตสเทโปรเณตุังกปายันสนาวยะามในโทติระโทยะ้าสัพพิปโยวิวัจุสะรุคินะะตูมาปะโตาสทีทิขายกภะ สพิวาตติหตตปจานิโัตาโธวาตาติอวานสุขังอะลาสัมมุเรานรับค่าอไ่รับ่้ จะเขาะ้านจไดเว่าโานาไปแต่ละครั้งเนี่ยบางั้งหมถึงมันถึง ว, ว่านวาใเบาใจเบ า, เบาทีนี้มีึเหมือนมันลังผลเข้ามาตรงนี้ทีนี้มันคาอยู่ด้วยคือมันไม่ผลปุ๊บตรงนี้มันคาคาคาเาอย่ า, ย า, ยาไปดูตรงนั้นแต่ เ, เราดูตรงที่เราเร า, เราใช้เป็นตัวพาเข้าไปเราใช้อะไรอยู่เราใช้พุโทโธเรืใช้อ ตอนหสุใช้อนาพราสีอยู่ค่ะแล้วก็กลับไปดูที่อนาพราสิอ๋อถ้มันคายก็ือไม่ต้องไปสนใจอย่าไปสนใจกันเลยอ่าตอนนั้นมันไม่ได้ดูตัวนั้นมันจะไม่เข้าไม่ดูที่ลมไปเรื่อยๆดูที่ลมไปเรื่อยๆดูที่อนนาพรนสีไปเรื่อยๆอย่าไปดูที่ไอ้ที่สิ่งที่กาลังเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไม่ไม่ได้ดูตัวที่จะไปทาให้มันเกิดมากขึ้น มันจะไม่ก้าวหน้มันก็จะหยุดตรงนั้นมันมีคาหูถ้ามันก้าวหน้ามันออยู่กับลมอย่างเดียวมันก็ไปแต่ถ้าไม่อยู่พอพอจะลมปั้มมันก็จะหยุดหยุดมันก็จะคาอยู่ตรงที่ตรงนั้นตอนนั้นหนู่ลาเองที่หยุดจะลมทุบมอนก็ลจะวางวางวางอให้พี่จะดูดูที่ลมอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่น นีาไม่ต้องสนใจผลของมันนี่ว่าทำเหตที่เหตุไปก่อนเราหตุที่สงควแล้วเวลาไม่เหตุสงคแล้วผมนจึ้นจเองมนเหมือนนั่งอยู่ในรถเนี่ยให้ถึงรถจอดก่อนแล้วค่อยลงจากรถดอย่าเจะโดนลงจากรถดกลางทางหรือจอดรูดกลางทางนถมันก็ไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางรถดก็คืออาณาปณนสติให้อยู่กลางอาณาปณะสติไปจนกระทั่งถึงจุดรวมจุดจิตรวมลง เต็มที่แล้วก็จะอยู่เองแ ล, แล้วก็ต้องพ mm hmm. อคิดรวมลงแล้วอันาปคตสติกาหมดหน้าที่หายไปก็ให้รู้นี่ใช้ อ, อยู่ตรงนั้นต่อไปแต่ทั้งนั้นมันก็ไม่อยากจะเป็นหาแล้วแหะมันก็อยากจะให้อยูอย่างนั้นนานเพรามันสุกเกิเกิน mm hmm. ไอ้สุกรรนัมันจะไม่ต้องมีนานขนาดไหนไหมะหรือแล้วแต่มันจะหายใหม่ๆก็อาจจะเป็นแค่นกกระจอกกงนงาอะไรคันธิกะสมาธิเพีงแค่ขณะเดียวปุ๊บเดียวแล้วถอนออกมาแต่มันก็พอที่จะอ่าคิกะอถ้าอยู่นานก็เป็นอัปปนาอันาอัปปนาอุปปจาระก็อุปปจารนี่ก็เป็นอีกอย่างเป็นที่รวมแล้วถอนออกมาเข้าไปก่อน แล้วออกมาเห็นรนับรู้เรื่องราวต่างๆรับรู้เรื่องปริศาสเรื่องผู้เรื่องผีเรื่องเทพเรื่องอะไรอยู่ในขั้นอุปจาะระคณิกาอาปนาสัต ว, วันค่ระยะเวลาระยะเวลารวมเหมือนกันนะรวมปั๊บเดียวก็คัณิกะถ้ารวมงานก็เป็นอาปน า, าแต่ถ้ารวมปั๊บอยู่ในอาปนาได้ปั๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาแต่ไม่กลับมา อยู่จิตระดับปกติแต่อยู่อยู่ออกมาจากาความสงบนิดหนึ่งแล้วไปรับรู้เรื่องต่างๆอย่างนี้เรียกอุปป aja แทีนี้ถ้าการรับรู้ตรงนั้นมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วะแต่ความนนั้นเป็นจริงอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้ น, น, นรเราจะฝันเอาวิคิดว่าก็รู้ตามความจริงรู้ไปแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะเพราะสิ่งที่เราเห็นเป็นเหมือนข้ อ, ขอมูลดิบที่อาจจะมีทั้งจริงและไม่จริงมีทั้งคุณและมีทั้งโทษ ถ้าไม่มีปัญญาก็อย่าไปสนใจรู้แล้วก็ปล่อยวางไปก่อนอย่าไปวิเคราะห์เดี๋ยววิเคราะห์เสียเดี๋ยววิเคราะห์ตามกิเลสก็จะว่าเราวิเศษเราสิ้นกิเลสเราเป็นอริยะแล้วอย่างนี้เป็นต้นให้รู้ไว้เฉยๆก็แล้วกันแล้วก็ใช้เวลาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็ น, นอาจจะไปตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็ได้อาจจะไม่ตรงก็ได้ก็ให้รู้ไว้เฉยๆอย่าไปวิเคราะห์ สนกว่าจะมีอย่างอื่นมาพิสูุน์เอามีข้ อ, อยืนยันข้อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือคือถ้าเกิดเรารู้ตรงนี้คือมันเป็นประโยชน์ที่ว่าถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเร า, า จ, จะแก้ไขมันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้หมคะคุณไม่ได้หรอกว่ามันเป็นเรื่องของบุญแห้งกันอาจจะได้ จ, จะไม่ได้มันไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เชิงอยู่ที่ว่าถ้เมื่อเราไปพูดแล้วกลอยเขาเขา เขาเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนใจทำอย่างทำอย่างอื่นเช่นเราบอกว่าถ้าไปทางนี้อาจจะมีอุบัติเหตุแต่เราไม่บอกเขาโดยตรงเราอาจจะพูดด้วยทางอ้อมอย่างทางใดทางนี้แล้วทําให้เขาเปลี่ยนไปได้แต่มันเปลี่ยนไม่ได้มากถ้ามันเป็นกรรมก็มันก็หนีไม่พ้นเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนวันนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะมันก็ทําไปเจอจนได้อันนี้เป็นกรณีสมมุติคถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนได้ทีนี้มันเป็นการไปดุลกรรมของเขามาสู่เราหรือเ ไม่เม่ละจำรจำัใรอไรจำใครำคือมนว่าจะกรรมหเฮ้ยเองมันยุ่งไงด้วยขมมเนียไม่อะไรหรือเปล่าถ้าอะไรที่มันเป็นกรรมนี่อย่างมากที่เราทาได้ก็คืออาจจะเลื่อนเวลาไปหนอแต่เมื่อถึงวลากรรมมันก็ตามไปอยู่ดี ที่ท้าลานที่ท่านมีฤทธิ์ฤทธท่านก็ไม่ใช้ฤทธิดด์ฤทิเพอมาป้องกันท่านก็บอกว่าหนีมันได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่เลยมันเป็นเหมือนเงาตามตัวนี้เมื่อใจของท่านไม่มีความยึดติดกับร่างกายแล้วก็ไม่กลัวการตายแล้วก็พ่อให้มันไปเสมอท่านก็อยู่เฉยๆดีกว่าใจสบายถ้าคอยหนีมันก็ต้องวุ่นวายอยู่กลางหรอยู่เรื่อย เรา้อเอาไปให้มาก่นอนไอของที่เห็นเรานี่อย่าไปอย่าไปติดมันอย่าไปชอบมันเพราะมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่วิปัสนามันไม่ใช่มัดถ้าไปติดแล้วก็เสียเวลาเสียเวลาลเราเราเราจะไม่ไปเจริญวิปัสนาไม่เจริญไม่ไปพิจารณาใจรักเราก็จะมาเล่นกับถึงอันนี้ ว่าเห็นอะไรก็จะไปเล่นกับมันไปแก้มันไป ช, นนช่วยมันนั้นช่วยมันนี้ไม่ทำนี่นทำนี่เลยไปแล้วแต่ทำไมดีไม่ดีก็จะกลายเป็นหมอดูไปก็ได้ในภาวนาแล้วก็มีอาชีพหมอดูไปดูภายในใครมีปัญหาอะไรก็ดูให้ครแก้ให้เขาไปแต่กิเลสในใจก็ยังมีมากขึ้นเพราะที่เกอดความโลภมีรายได้ขึ้นมาก็อยากจะ อยากให้ม um. uh ีลูกค้ามาบ่นคุณล่าจ้ะแค่เรื่องเรีนาค่ะเอ่อถ้าเกิดว่าเจ็บควาเนี่ยปุ๊บแล้วเราคือกแบทุกโถอันนั้นคือสมถะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าทนความเจ็บปวดตรงนั้นได้เรีย้มาเรามากขึ้นเพอะมากขึ้นเนี่ยเราใช้ทุกโถด้วยแล้วก็ประกอบกับใช้พ่อษาไตรณาตรั์ด้วยอืแล้วอันนี้คือเป็นปัญญา ก็ถ้าพิจารณาก็ไม่นนต้องใช้ทุตโทรธพิจารณาเข้าไปเลยว่ามันไม่หยุดทุตโธนะก็ดูคิดแล้วว่าอันนี้คือเป็นไายรัก เ, เป็นตายรักมันเป็นอย่างนี้เหมือนฝนตกเราไปหยุดมันได้เปล่าถ้าฝนตกเราหยุดมันไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้มันหยุดเราก็จะทรมานใจถ้าเรายอมรับมันนะตกก็ตกไปเราก็สบายใจอันนี้ก็เหมือนกันก็เวทนานี้ก็เหมือนฝนตกอะมันเป็นก็ยอมรับมันได้หรือเปล่าถ้ายอมรับได้ให้มันเป็นไปไม่อยากให้มันหายไป ใจก็สงบไปใจก็จะก็ไม่วุ่นวายใจก็จะนิ่งได้เป็นอเบิดขาได้มีเบิดขาที่เขาว่าคือทนอยู่ดูมันไปได้เรื่อยๆคือไม่ทนแล้วมันมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้แต่มันมีความสบายถ้าทนมันแสดงว่ามันยังทรมานอยู่นี่มันไม่ทนมันปล่อยเข้าไปอ่นี่อยากจะเป็นนั่นก็เป็นไปขันไม่เดือดร้อนกับคณ ก็อย่ระดับที่ต้องคนดูมางก็งยัแสดงว่ า, ายังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าเราใช้สัญญาวิเคราะห์แล้วมันจะดับไอ้ความทุกข์ทรมานใจได้แค่อย่างนั้นก็คือยังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เข้ามายังไม่เห็นสมุทยัยด้วยความอยากของเราที่อยากจะให้มันหายพอเห็นแล้วว่าอปัญหามันอยู่ที่ความอยากของเราที่อยากให้มันหายที่ทําให้เรากังวลกังวายกระสับกระสายพอเรายอมรับว่า จะตกก็ตกไปจะเจ็บก็เจ็บไปผลจะตกก็ตกไปร่างกายจะเจ็บจะปวดก็ปล่อยให้มันเจ็บปวดไปครับพอใจยอมรับได้ใจมันก็หายกระสับกส่ายเวนเขวายใจมันก็นิ่งสบายไปนู่นไปนั่นเป็ น, ป ม, น, ปนมันจะเป็นได้สองลักษณะแบบที่เวทนาก็ยังมีอยู่แต่ใจไม่เป็นอะไรหรือแบบที่เวทนาหายไปเลยแล้วใจรวมลงเด่งเข้าสู่อสณ า, านี้เลยก็มี แบบที่ว่าร่างกายก็หายไปเวทนาก็หายไปเหลือแต่สัตว์แต่กรู้อยู่อย่างเดียวมันเป็นได้สองลักษณะนี้มันจะเป็นอย่างไรก็กได้เหมือนกันแล้วมันก็จะมันจะเห็นอริยสัจขึ้นมาในใจ ว, ว่ายิในในใจเหล่านี้แล้วต่อไปเราก็จะพยายามควบคุมความอยากของเราไม่ให้ไปอยากกับอะไรไม่ให้ไปไม่อยากกับอะไรมีอะไรเป็นอะไรก็ยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าอย่ังนี้คือการเข้ามาพิจารณาการพูดถึงการเข้าไปเห็นสมูทไทยนี่คือการพูดถึงเห็นทุกทเห็นสมุทไทยเห็นนี่รดเห็นนักมันจะเห็นหมดเลยทั้งสี่ตัวเนีน่มันทํางานแบบต่อเนื่องกันเลยมันไม่ได้ยากกันทํางานมันทํางานพร้อมกันแต่เวลาแสดงก็ต้องแสดงทีับตัวทีละตัวให้เห็นแต่เวลามันทํางานนี่มันจะทําทําพร้อมกันทักอย่าถ้าอย่างนั้นข้ายังต้องทนอยู่อันนั้นคือคือเราแค่ดออื่มวาย ที่จะผานตรงนี้แต่ให้ได้ย้งไม่ใช่ปัญญ า, ย<อ>าใช่ไหมเป็นป็นบาที่เราขึ้นมาเองทนก็คือบังคับใจไม่ให้หนีจากมันแต่แต่เรายังไม่ได้ไปถอดรหัสคือความความอยากให้มันหายไปหรืออยากจะหนีจากมันไปเราต้องไปถอดตัวนั้นให้ได้ถ้าเราไม่มีความอดทนเลยก็จะไม่มีความสามารถที่จะมีเวลาพอที่จะไปถอดรหัสมันได้เพราะตอนก็ต้องทนไว้ก่อนเจ็บก็ทนเจ็บเจบ็ไม่เป็นไรตอนนี้เราพยายามจะหาวิธีแก้ความเจ็บนี้ โดยเรายึดหลักของปั ญ, ญ่างว่าให้เหน็นว่าเวทนาเป็นตายละหรือเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะเป็นยังไงเราบังคับเขาไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่ดีคุณให้ม้าจางช่วยขยาการของจางเป็ น, นอนัตาค่ะว่าเราไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่เราเขาตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจหรือร่างการนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เหมือนกับร่างกายของหอาตมานี้ไม่ใช่ร่างกายของโยมใช่ไหมอันนี้เห็นไ้ยเห็นว่าร่างกายนี้เราไม่ไม่ไม่ได้เป็นของโยมแต่ร่างกายของโยมโยมไม่เห็นว่าไม่ได้เป็นของโยมเพามันไม่เข้าใจเพราะมันยังแยกจุดมันมันมันแยกใจออกจากกายไม่ไม่เห็นถ้าจิตโยมลงก็จะเห็นว่าออกจิตเป็นตัวหนึ่งกายเป็นตัวนึ่งตอนนั้นก็จะเห็นได้แล้วถ้าติดพิรุณาไปว่า มันเจ็บมันเจ็บที่ขามันไม่ใ่เจ็บที่ใจค่ ะ, ะเป็นส่วนหนึ่งของการชิานารณาตาเลยะคะเป็นการพิจารณาเวทนาถ้าพิจารณาว่าเป็นอนัตตาก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับฝนตกแดดออกเป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งฝนตกแดดออกนี้เป็นปรากฏการณ์ภายนอกเวทนานี้เป็นปรากฏการณ์ภายในแต่ก็ไม่ต่างกัน คือเราไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาให้หายไปไม่ได้สั่งให้เขาเกิดขึ้นมาไม่ได้สั่งให้เวทนาศึกวทนาเกิดขึ้นมาไม่ได้สั่งให้ทุกเวทนาหายไปไม่ได้เมือนเราสั่งผลสั่งอะไรไม่ได้เมื่อเราสั่งไม่ได้เราก็อย่าไปสั่งเราก็ยอมรับตามความจริงของเขาเราก็จะดับความทุกข์ภายในใจว่างอนนั้นเอง ี่คือความเป็นธรราติจนไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าเป็นของเราเราก็ต้องสั่งมันได้เช่นร่างกายนี้ส่วนใหญ่เราก็คิดว่ามันเป็นเราเพราะเราสั่งมันได้เช่นเราสั่งให้มันยกมือมันก็ยกมือสั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ทําได้แต่มันทําได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นพอถึงเวลาที่มันจะไม่ทํามันก็เราก็ทําะไรไม่ได้ถ้าเกิดมันเป็นอวัยาะขึ้นมาจะสั่งให้มันขยับมันก็ไม่ขยับนะ นี่เราไม่เห็นตอนนั้นไม่เหเราเห็นแต่ตอนนี้เราเราก็เลยคิดว่ามันนตัวเราของเราแต่เราพิจารณาดูว่าเวลาคนที่เขาไม่สามารถสั่งการร่างกายเขานได้นะหรือตอนนี้เราก็สั่งไม่ให้มันไม่แก่ไม่ได้แต่เราไม่มองกันเรามองแต่ส่วนที่ความหลงชอบมองก็คือมองแว่ส่วนที่ที่ว่าเป็นตัวเราของเราเราสั่งมันได้มันให้ความสุขกับเรา มีร่างกายที่ว่ามีชีวิตนี่ดีกว่าตายความจริงตายมันดีกว่าเพราะไม่ต้องมาคอยดูแล ร, รักษาร่างกายนี้ ต, ตามหลงมันจะเห็นว่าโอ้มี ม, มีมีร่างกายนี้ดีมันไม่เห็นความทุกข์มันไม่เห็นอนาาิจจังมันไม่เห็นอนัตตาถ้ามันเห็นแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่อยากจะยุ่งกับมัน แต่ถ้ายังอยู่มันยังอยู่ยังใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ประโยชน์มันไปคือถึงแม่รู้ว่ามันไม่มันมันเป็นทุกข์แต่เมื่อชั่งน้ําหนักดูแล้วก็มันไม่ทุกข์กับใจแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ปล่อยมันอยู่ไปไม่ต้องไปฆ่ามันคนที่บรรลุธรรมจริงไม่ต้องฆ่าตัวตายกันคนที่ฆ่าตัวคนที่คิดว่าตอนอนี้บรรลุเนี่ยจะคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตาย ครั้งนี้เวลาที่เราพิจารณาที่ดูการกระสิดในดูการกระสิดที่พ้องกันน่ะคะคัานี้ดูการไปก็ค่อยดูการกระติไปก็ค่อยถามไปว่าเวลาที่มันมีทุกข์ึ้นนะคะก็ดูทุกข์ในจิตตัขึ้นค่ะ ก็คอยถามไปดูแล้วกายกระติบมาเป็นคนกระเสือก็ถามอย่งนี้อยู่บ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งแล้วก็อไม่ใช่ถามอย่างเดียวก็คือดูด้วยว่าเป็นอาการบาคือก็คือว่าเป็นแค่ส่วนประกอบของภาพขึ้นมาบาคทีก็ือว่าเป็นของไม่สวยไม่งามแต่ก็จำเอาสัญญาในหนังสือมาแล้วนะคะแล้วก็นำความเท่ของติ๊กากลางนันมาใสค่ะแล้วก็ดูว่าเป็นสิ่ที่มันเสพติดไปเรื่อยๆท่านกินก็ใม่ห็นอะไรแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง้าไป น้ำสายชาร์แล้วค่ะก็ได้ไปไ ป, ไปดูกระดูกโครงกระดูกจริงๆแล้วก็ไปดูที่เขาเอาศพเอาสดๆขึ้นมาแต่ว่าก็ได้เข้าไปดูตอนที่มันนอนขึ้ น, นะคะ่ะแต่ว่าเขาหักเป็นชิ้นแล้วนีคะก็ได้ไปไปดูนอนดูพวกนุนน่งหุนน่นแล้ก็จับกระดูกพวกนี้ขึ้นมานะคะกะดูกระดูก ต อ, อตอนจับมาก็มีความกลัวเหอนกัค่ะแต่ตอนนั้นคือก็ตอนที่จัดกระดูกที่มีครงกระดูกจริงพอตับขึ้นมาความรู้สึกคือถ้าผมก็เป็นส่วนที่งเขาอะไรไปไม่ได้เ <c oughs> ลยกระดูกของเขาก็หยิบขึ้นมาปุ๊บมันไม่ตอบอะไรเลยค่ะคือไม่รู <c oughs> ้เป็นอะไรแล้วพอตอนมาที่พิธีทำงานกับมาพิชเชอร์มาก็คะก็กกจะเห็น ก็จะเห็นว่าคือสิ่งเหล่านี้พอมอปุ๊บมันเหมือนกับมองแล้วก็ยังสัญญากระดูกตรงนั้นได้อุ้ยมันหายไปไหนหมดแล้วคไอเนืออะไรพวกนี้มันหายไไหนหมดก็ไม่ทราะคะแต่แล้วสก า, ายยังพิจนรณาอย่างนี้เรือยๆว่ามันเป็นของที่น่าเกลียดนะคะเพราะว่ากรีดแล้ ว, วยังําได้อยู่แล้วก็ดูว่าพอสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรใช่ไหมคะเป็นแค่กระดูกพวกคนก็จะเปนน็นเหมือนกันหมดนะคะไม่ม ก็จะผลนาอะไรก็แต่ก็จะเห็นอยู่ว่าการกระติกตอนนี้คนละส่วนกันนะคะมันเขปล่อยแล้วเขาก็สบายอยู่งี้ค่ะสบายแบบสบายไปผลเองนะคะแล้วก็พอเอ่อออกจากสมาธิมากถ้าเป็นช่วงกลางวนเนี้ยค่ะมันทีจะมองภาพภาก็เหมือนเป็นน้ำอย่างที้น้ำน้ำแต่ว่าแต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมช่ไะ มันจะไม่มีอารมณ์ครับมันเหมือนกับภาพที่เราเห็นมันมันไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นหนึ่งไม่นานะคะแล้วก็ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็นนี้บ่อยๆอมันก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่นี้เราฉันยาขึ้นขึนอกพิจารณอย่างนี้บ่อยได้ไหมนคะก็อันนี้มันเป็นเครื่องมือสําหรับดับกิเลสเวลาเราไปมีปัญหากับร่างกายของใครแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้มามาดับมันได้ ถ้าเราไปห่วงไปกังวลกลัวเขาจะตายจากเราเนี่เราก็เอาอันนี้มาใช้มันก็จะทำดับความกังวลได้ว่าในที่สุดเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือ ว, ว่าเราไปหลงรักใครล้วก็ดูความไม่สวยไม่งานของส่วนนั้นของร่างกายเ้าแล้วก็จะคลายความหลงความรักไปได้แล้วก็จะทำอยา่งางนี้ไปเรื่อยๆถไหมะเกินการทำอย่างนี้เป็นเหมือนการทำการบ้านแล้วพอกิเลสออกมาเราก็ต้องเอาความรู้นี่มา มันดก็เ ด, ดี๋ยวนี้พอความรู้สึกที่อยู่ตรงนี้ก็ค่ะเราจะมองไปปุ๊บบางีก็จะคิดเองว่าทุกอย่างไม่ออกมาะจะผิดข้างนอกเนี่ยเขาไม่มีความหมายอะไรเลยทุกอย่างให้คือเดีเราไปให้ความหมายเขาแบบตอนนี้ฟูกเขาก็จะกดเข้ามาแล้วก็อยู่นิ่ส บ, บายอยู่ก็กลายเป็นฝุ่นไหมใช่ไหมเราอยู่ไปเรื่อยทำอไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเห็นร่างกายของใครในสภาพไหนเราต้องเราต้องมีปัญญาไว้มาแก้ได้คือไม่ให้เราไปเกิดความหลงรักยินดีรู้เกลียดชัง แต่หนูไม่เคยเห็นเมืางคนต้องบอกต้องเห็นแบบเหมือนแบบเห็นเหมือ้ารเนี้อจริงๆในสมาธิก็ต้องต้องเห็นเป็นเป็นเป็นร่างที่มาเป็นกระท้างสลายลงไปทหนูไม่เห็นอย่างนั้นก็ค่ะเป็นแบบคํามเข้าใจเห็นเห็นแบบไหนก็ได้ขอให้มันดักกิเลสได้ใคใช้ได้ แต่ทุกครั้งที่เวลาเขาเขาเข้าใจปุ๊บเหมือนเธอเขาก็จะเข้ามาเป็นจิตอย่างเงี้ยค่ะยิ่งๆความรู้สึกตอนนั้นในจิตก็เอ๊ะที่คืออะไรแล้วก็จะดูว่าอ๋อมันเป็นจิตล้วนๆแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเหนือกายเจ้าค่ะแต่ว่าก็เป็นอยู่แค่แปบเดียวแล้วเด็กก็เขาก็จะสบายของเขาอยู่แป๊บเดียงแล้วเด็ก็ออกมาเป็นธรรมกายอย่างเงี้ยนจ้าคะถูกไหมเจ้ค่ะถูกเกือบเวลาทำนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามีความมั่นใจหรือว่าเราไม่มีอารมณ์กับ ร่างกายของไครมไม่ว่าของเราหรือของคนอื่นไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายก็ตามหรือว่าจะไม่เห็นว่าเขาสวยงามน่ารักน่ายินดีแต่อันี้ก็ใช้ได้แต่ก็จะเห็นอารมณ์ที่กระเพื่อมอยู่ภายในสนะคะมันก็เพื่อมกระเพื่อมไม่ต้องใจดีวะค่ะเออมันยังมีกิกเลสอย่างอื่นอีกนอกจากกิกเลสที่เกี่ยวกับร่างกายนี่มันยังมีกิเลสอย่างอื่นอีก ที่ต้องต้องถามตัวเองว่าเรากระเพื่อมกับเรื่องอะไรเพราะมันต้องมีเหตุที่ทําให้มันกระเพื่ออถามถามตัวเองว่าเรากระเพื่อเพราะอะไรทําให้เรากระเพื่อแล้วก็ไปวิเคราะห์ไอไอไอวัตถุนั้นหรือสิ่งนั้นที่ทําให้จิตเรากระเพื่อก็ใช้ตายรักเข้าไปวิเคราะห์เหมือนกันก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นตายรักทั้งนั้ น, น, นเหมือนกันหมดเราไปไปยุ่งกับเขาไม่ได้ เราไปยุ่งเองถ้าสิดเราก็เพื่อ น, นี่แสดงว่าเรายังมีได้มีเสียกับสิ่นั้นอยู่เรายังมีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นอยู่เราก็ต้องใช้ใจรักเขาไปเขราะว่าเขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไปอยากไม่ได้พออยากแล้วจะทำให้ใจเราเพื่มขึ้อนอพอเราเข้าใจเราก็จะปล่อยวางเราก็จะหายกับเพื่อม เขาก็จะเจอกันที่รูปเราแจ้งการฝันข่าวที่แล้วที่าสร้างประสิทธิ์ขึ้นที่ที่ที่คู่การเรียนไปนจะแจ้งว่าได้เห็นทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนธรรมดาแต่ได้ทดสอบดูโดยการที่ว่าว่าได้ผ่าตรงนี้เราลองเอาตะข อ, อขดเขี่ยวเอ็นขึ้นมาไประหว่างนั้นได้ดูว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเกิดความเจ็บและเกิดความปวดจริงๆ อ่านต้ี่ไม่รู้ว่าโอ้ยังมีหนุ่ยเยอะท ด, ดสอบกามดิ้นจำเคือเจ็บมันก็รู้ว่าเจ็บมันก็ต้องเจ็บด้วยกันทุกคนแต่ว่าเป็นธรรมดาธรรมดามแต่ว่าใจเรารับมันได้ น, นี่ป่ะแล้วรัมันได้เราก็ทําใจให้นิ่งให้เฉยไประยะแ่รเอาหว่างที่เขียนเนี่ย มันกลัวในตอนที่เอาเข็มนองไปเคลียรแต่พอมันเคลียขึ้นมาได้นะจะรู้สึกมันทรรมดาแต่ก็ยังทดสอบอันนี้ไม่ผ่านนะถ้าเกิดค่ะที่ผ่านที่เอาขีมนอกไปเคลียเนี้ยมันจะรู้สึกเจ็บอยู่ทุกครั้งก็เจ็บแต่ใจเราอย่าไปเจ็บกันแล้วกันมันแยกแยกความเจ็บลงสองส่วนเจ็บกายนี่มันพอเข็นทิ่มไปมันก็ต้องรู้สึกกันไปว่ามันเจ็บแต่ใจเราอย่าไปสะดุ้งแล้วกันใจเราเฉยเฉยเหมือนเราเวลาบ่งเสี้ยนนาวบอกจาก อย่างเนี้อเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เข็มแล้วก็เอาเจ็บก็เจ็บว่าเพื่อมันจะได้ไม่เจ็บ<ไ>ทิ้งมันก็ไปทิงมันก็บบก็บางกิจล่บบ า, จาดูอยู่ว่าเราเจ็บเพราะเราเจ็บพราะที่เจ็บพพเบพราะกลัว<ไ>ถูกไหมจ๊ะค<ไ><ไ>่าเพราะเจ็บเพระกลัวเ<ไ>พราะเรากลัวในตานที่ตอนจะเอาลงไงยายเรายังไม่นิ่งะ<ไ>ยังไม่กลัวยังไม่หายกลัว ไนะองลรรับพิเม um, ียมเมื sure> ่อเรางสวรรค์เนี่ยเรน่วกับอะไรเียขอม่ไรรสนุกง่ายคือไม่ว่าเหนอะไรก็สั่แต่วรู้เห็นอะไได้ยินอะไรคำสั่อะไรก็ไม่มีอะไ่ได้รัดี ไม่มีเป่าไม่มีเปล่าถ้ายถ้ายังไม่เฉยก็ต้องหาที่เขาให้เห็นว่ามันจะตายแล้วะตายแถ้ายังยดีก็แสดงว่ามันยังได้องแก้่คือราต้องร้ว่ิดคือไหนมาปัญหาเกิดตรงไหนก็แก้ตรงไหนถ้าไม่มีปัญหาก็ปิกันบ้าน ถ้าไปแต่ทุกครั้ที่เวลาดูหนูก็จะดนกระจายกระติไปร้องใจหนิงก็หนิก็กลัวว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาเดิมหรือเปล่าเจ้าค่ะเราต้องทาไปช้ำๆนะะ้ำมนมันมันอดงีนี้ก็จะเร็ขึ้น่บางทีรูปุ๊บก็จะเข้ามาแล้วาทมันไม่เกิดบางทีมันไม่เกิดเพ่มกับอะไรแล้วก็ไปแก้ปัญหาตัวไหนที่ทำให้กระเพื่อมกับแกตก็ไ ฉันไม่กล้ามอ